มาส ก, การห uh, ลานมาส ก, การพ่อครูอาวเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นก่อนที่จะเข้าสู่รายการสดนะคะก็จะรายงานกิจกรรมคนมีคุณบุญมีคำ้ำแล้วก็กิจกรรมมีผลเจริญอย่างไรบ้างนะคะค่ะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะชาวชุมชนศรีสะอโศกนะคะก็เข้าสู่กิจกรรมการออกการเข้าพรรษ า, าซึ่งช่วงนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลิงก์รายการสดนะคะนะคะ ยิรายการสดจากบ้านลาดนะคะได้ได้นะดูได้นะดูได้ค่ะอ๋อดีคือคือบางคนนี่ใจจากศรัทธาอยากจะไปนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าหน้าที่การงานแล้วก็ภาระก็ยังมีอยู่นะคะก็ <c oughs> ยังดีก้าวหน้าเยอะนะตอนนี้แม่แต่การศึกษาพัฒนาการมีรูปแบบใ น, นการศึกษาเดี๋ยวจะพูดถึงบางเอ้าเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทนันทันสถานการณ์นะคะไม่ให้มันตกยุคนะคะ อันในส่วนของกิจกรรมอย่างอื่นๆก็มีตามลำดับดังนี้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของออเรื่องปุ๋ยค่ะเรื่องปุ๋ยนะคะที่พวกเราก็ทำกันมานานซึ่งตอนนี้ก็เราก็จะต่อยอดนะคะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่มันดังมากตอนนี้นะคะทั้งต่างประเทศก็เข้ามนะคะทั้งชาวบ้านแล้วก็ยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะขายปุ๋ย ราคาเท่าทุนนะคะแล้วก็ตลาดอริยะด้วยเพราะนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะไม่พอก็เล่งผลิตกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือบราดก็ผลิตด้วยแล้วคราว น, นี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยะคะ่ะพอดีก็มีชาวอินเดียนะคะก็นำเทคโนโลยีในเรื่องของไบโอรย์แอคเตอร์ Bio actor, ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ hmm. คัดสายพันธุ์เลยค่ะคัดสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ สามารถที่จะเอาไปย่อยพวกหินพวกดินเราไม่ต้องขนไม่ต้องขนปุ๋ยใส่แบบปัจจุบันนะคะ<ม>เราก็เอาคัดสายพันธุ์ที่สามารถจะไปย่อยพวกล็อกฟอสเฟตพวกหินพวกดินให้เป็นแร่ธาตุอาหารได้<ม>เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยที่มันจะเสร็จนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปได้ประมาณห้าสิบเอร์เซนตอนนี้ทำเป็นลักษณะของห้องแลบก่อนนะคะแล้วก็แยกจุลินทรีย์เขาก็ดีใจมากที่ เอาจุลินซีมาจากอินเดียเลยนะคะเป็นจุลินซีที่เขาการันตีว่าดีที่สุดตอนนี้ดีที่สุดตอนนี้เลยนะฮะดีกว่าเกาหลีเหรอดีที่สุดค่ะเพราะว่าดีกว่าเกาหลีดีกว่าญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้พวกธาตอาหารเกาหลีเขามีอะไรไอ้ไอ้ไอ้ญี่ปุ่นเขามีไอ้เอมเนี่ยของเกาหลีหรือของญี่ปุ่นเอนี่ของญี่ปุ่นค่ะเเขาเจ๋งกว่านั้นค่ะ เจงกว่านั้นเลยนะคะ IM มันตอนนี้ตอนนี้ค่ะมันดีกว่า EM ไงให้พ่อท่านชื่อตั้งชื่อให้ค่ะน่สู้ IM ไม่ได้อ๋อพอดีช่วงบ่ายแล้วอาจารย์นิมนต์พ่อท่านบ่ IM ไง IM ให้พ่อท่านตั้งชื่อให้ค่ะพ่อท่านก็จะเห็นเลยว่ามันแอคทีฟมากค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรา เอามาใช้แล้วก็จะสอดคล้องกับนาการอย่างตผูนแหลิต้องมีวิจัยต้องมาได้ไหม่หม่ใหม่ใขึ้นไปเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องเป็นอย่างงั้นค่ะดังนั้นจบค่ะให้มันเป็นลักษณะแบบสอดคล้องกันเพราะว่าวิถีชีวิตของเราก็เป็นวิถีชีวิตที่ต้องทําอยู่ทํากินสาระชีพผู้ชาตินะคะดังนั้นตอนนี้เราก็ภาคภูมิใจมากนะคะแม้ตอนนี้จะได้เท่านี้แต่เราก็ไม่ได้ซื้อผักทานนะคะเราก็ปลูกผักกินเองได้แล้วซื้อก็ประมาณ10ซนที่ ส่วนที่เราซื้อไม่ได้แต่พริกมะเขือนะพวกผักต่างๆมะละกอพวกหัวฝักยาวแตงกวาของพื้นๆคนะ่ะของพื้นๆที่ได้หมดค่ะนะซึ่งตอนนี้ก็มี<อ>เลื้อแต<ด>่หอมหัวใหญ่นะเนาะหอมหใหญ่ปลูกได้แล้วค่ะปลูกได้แล้วค่ะเราหอมหัวใหญ่ก็ได้เลเอ้าปลูกได้แล้ว พยายามที่จะที่จริงฮอร์โมนใหญ่เนี่นะมันได้ก็จริงแต่เขามีกฎหมายเขาห้ามไม่ใช่ไหอ๋อคือกฎหมายในเมืองไทยเขาควบคุมไว้ควบคุมแต่เรามีเพื่อนต่างชาติค่ะเราก็เลยให้เขาซื้อมาให้<อ>เราก็เลยส่งเม็ดมาให้ค่ ะ, <c oughs> ะเราบ้งฉลาดขเขาคือนี่แหลคะค่ะอะไรที่ต้องบอกว่าพื้นฐานก็คือเราต้องอะไรกินแล้วก็จะปูกอนั้นนะคะดัง น, นั้นก็ ก็ถือว่าเราเพึ่งตัวเองได้พอสมควรค่ะว่ า, า, านส่วนนี้เราเรากินปลาแดกเราต้องปลูกปลาแดกนะตอนนี้ก็ปลูกถั่วเหลืองค่ะนะคะมีเครือข่ายปลูกถั่วเหลืองค่ะปลาแดกก็ทําอยู่นะคะต้องปลูกปลาแดกนะค่ะก็คือห้องแลบนี้เนี่ยช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องปุย๋ยแต่ต่อไปเราก็จะพัฒนาไปเทคโนโลยีอาหารค่ะเพราะฉะนั้นอาหารเราก็ต้องมั่นคงนะมั่นคงทั้งเรื่องอาหารด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในโลกใช่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะ แล้วก็ก็จะโยงไปเรื่องของความมั่นคงทั้งเรื่องสุขภาพด้วยให้หมอโก้หน่อยนะคะพอดีพอดีว่าช่วงนี้นะคะเอาเอาเอาเรื่องเรื่องความมั่นคงทางที่ดินก่อนนะคะพอดีว่าช่วงนี้นี่มีชาวบ้านเขาอยากขายที่นะคะพอดีมันอยู่ติดกับร้านค้าพอดีค่ะอยู่ตรงข้างอบตเลยค่ะข้างหน้านี่แหละข้างหน้านี่ค่ะเขาขายห้าล้านนะคะก็เลยไปต่อข้าได้4ี่้านเจ็ดค่ะ พอต่อแล้วก็เลยยืมเงินที่กองบุญค่ะก็เขาก็อนุมัติมาให้ยืมแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มอีกค่ะก็ประมาณตอนนี้ก็หนี้ประมาณยี่สิบล้านแล้วค่ะหนยี่สิบล้านเองนะคะซึ่งยสู้บรรดาไม่ได้บรรดาห้ิบล้านกว่าแล้วครับซึ่งหนูประทับใจคนชุมชนนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้แต่ก็เบิกบานนะคะเบิ่บานเป็นหนุนเป็นหนุนไม่ใช่หนี้เป็นหนุนเงินเราไม่มีดอกเบี้ยค่ะ ก็ยังเบิกบานในการที่จะบำเพ็ญบุญแล้วก็บำเพ็ญเพียรเพราะว่าเห็นจากการประชุมที่ผ่านมานะคะบนราดก็มีโครงการหลงผูวิชิตนะคะวิชิตวิวิชวิชากวิชาวิช า, าวิชาวิช า, าวชากชากวิชากวิชนกนิชากวิเากวากวเป็นวนิชากวิอากวากิากวิเากากวิชากวิชากวิชากวิชากว่ชกากวิชากวกวิชานวิชกวิชากวาชากกากวานชวากา ใจใหญ่ใจใหใจใจใหญ่มากเลยค่ะค e ือวันนั้นหนูเห so ็นหนูเห็นบรรยากาศของคนชุมชนแล้วนี่ยโอ้เพราะฮั่นสอนในเรื่องของธรรมะเนี่ยทําให้คนไม่ยึดที่จะเป็นของตัวเองแล้วก็พร้อมใจที่จะเสียสละคิดดูนะคะบางคนเสนอมาสมล้านหนูก็คิดว่าสามล้านนี่ก็เยอะแล้วนะคะเสนอมาอีกห้าล้านโอ้เยอะอีกเสนออีกเก้าล้านค่ะโอ้ใจใหญ่มากชนะไปที่ห้าล้าน เพราะนั้นถือว่าเป็นเงินหนุน5ล้านาแพล่แพ้ห้าล้านอยู่3ามคะแนนนะคะเพราะนั้นาศีรษะโศกกับบ้านลาาแล้วก็หรืคิดว่าจิตวิ ญ, ญญาณของความเป็นอโศกเนี่ยมันล้อมมันล้อมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนที่ไหนแต่อะไรที่เราช่วยกันได <c oughs> ้เราก็จะช่วยค่ะเขเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ระบบบุญนิยมแบบบุญนิยม เพราะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าจิตวิญญาณตรงนี้ของเรามันมันก่อแล้วก็มันก็นสร้างแล้วนะคะตอนนี้ก็ผลลัพธ์จากการที่เราไปชุมนุมเราก็จะมียาเหลือคะ่ะพะท่านคะพอมียาเหลือเนี่ยเราก็มาทําเรื่องของเสศรษฐศาสตร์บุญนิยมต่ อ, อชเชิญโกเลยค่ะก็กลาวนมัสการพ่อครูนะคะการนมัสการพ่อท่านจเจริญธรรมทุกท่านคะ่ะ <c oughs> นะค ะ, คะก็สําหรับ าชาวชุมชนศรีสาอาโศกนะคะก็เป็นหรือว่าเป็นตัวแทนนะคะที่รับยาจากกบพศนะคะที่มียาจํานวนถือว่ามหาศาลมากถ้าเป็นอาคารนี้ก็ครึ่งหนึ่งของอาคารนี้นะคะเพิ่งสองครั้งนะสามครั้งสามครั้งน ะ, ะ<า>เต็มเลยค่ะยาอะไรพวกยา ยากินกยาล้างแผลทุกอย่างเลยหลังจากปริมาณครึ่งหนึ่งของสรานี่คือว่าสามรอบนี่นะค่ะเต็มสาราอ๋อเอามาเรียงเป็นแบนเปนแบนค่ะเต็มนี่เลยค่ะเรียงแล้วก็ม่นจะกองขึ้นนะเอามาเรียงเป็นแบนเป็นแทังขึ้นทั้งลงก็จะประมาณไม่ถึงขนาดนั้นล้ค่ท่านสาสมรถหกล้อค่ะค้นมาจากกรุงเทพก็ชาวชุมชนศรีสาสสามรถหกล้อเล็ก ใหญ่ค่ะใหญ่ที่สุดของศิษยาศพที่คนมาเต็มอ่ะเต็มทุกรอบเลยพอดีทางท่านสมณะนะคะก็ขอมาเพื่อที่จะให้กับอนามัยโรงพยาบาลตําบลชายแดนนะคะเอามาแจกเราได้แจกสองอำเภอนะคะก็คืออําเภอเบญจลักษ์โรงพยาบาลอําเภอเบญจลักษณ์แล้วก็โรงพยาบาลสถานี อ, อนามัยของอําเภอกันทลักษณ์ทั้งหมด4ีบสแห่ง นะคะโดยเราแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่สาสุขมารับที่ตรงนี้แเราก็จัดเป็นกองให้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่แล ะ, ะโรงพยาบาลมารับนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งขนไปหมดนะคะเป็นโรงพยาบาลเบญจลักษณ์ซึ่งคลังยาถูกไฟไหม้พอดีเราก็ได้จังหวะนี้นะคะในการช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายยานะคะที่ได้มาจากส่วนกลางแล้วก็ได้เป็นตัวแทน ทําทให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยแจ้งพ่อครูให้รับทราบแล้วก็เยงไปถึงเรื่องของสุขภาพนะคะชุมชนศีสาโศากหลังจากชุมนุมเสร็จแล้วก็ยังมีการดําเนินการเรื่องของคอร์สส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งในเดือนนึงเราจะจัดคอร์สสครั้งนะคะก็จะมีทั้งหมด3ทีมนะคะในการผัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดคอร์สนะคะจึงในครั้งนี้จึงส่งผลให้ทางคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะ ได้มีการปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะรองรับพี่น้องที่เจ็บป่วยมาในขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นเป็นโรงคลินิกเยิ่มเย่ยมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดําเนินเรื่องของการศึกษาควบคู่ไปด้วยค่ะเราได้ทําเรื่องของปวชธุรกิจพาณิชพยาบาลนะคะกําลังจะดําเนินการขอนะคะคาดว่าถ้าคลินิกเสร็จก็พร้อมที่จะให้มาตรวจได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ การศึกษาร่วมไปด้วยส่วนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงทํานานะคะนักเรียนก็ลงนากันโดยรับผิดชอบนาที่บ้านเกอกในนะคะดําเนินการฝักดําไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ในรอบที่พท่านมาเยี่ยมนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งคนแล้วก็พัฒนาทั้งกิจกรรมก็จะเห็นว่ากิจกรรมมีผลเจริญจริงๆ จ, จ, จากการที่เราใช้ธรรมะ ในการทำงานค่ะแล้วก็ขอรายงานพระท่านเพียงเท่า น, นี้ค่ะกขอบพระคุณค่ะอ้าวทีนี้ได้เวลาอตามม า, าเทศละอ้ะวาวไหวพร ะ, ะน บ, บัดี้เราจะได้ไหวพระกันนะก็ให้ตั้งอกตั้งใจว่านโมตัสสะภควะโตราโต สัมมาสัมพุทธสัคนัคโมตสัคภควัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัคนัคโมตสัคภควัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัค ทังสนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิธุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ติยัมปิธมังสรนังขจามิตุติยัปิธรมังทุติยัมปิสังังสรนังขจามิตัตติยัมปิพุทธสรนังขจามิ ตติยมปิธัมมังสรรนังกัจฉามิตติยมปิส like right? ัง cool. ค e ังสรรนังกัจฉามิติดสรณคักกัมมังนิทิตังเจริญธรรมทุกๆคน <c oughs> นักเรียนท้ไม่มีในน้อยเป็นในหมดนะมีทนี้เหรออ๋อทำไมมีท่นี้เองเหรอนักเรียนปีนี้มีเทา่าไหร่เพิ่มมาสิบคนเองโอ้อาทั้งหมดทั้งหมดถึงห้าสิบไหมเนี่ย ทั้งหมดถึงห้าสิบด้วยเนาะโอ้โ oh. ห oh. oh. ปีนี้ในบรรดาโอโหปลาเข้าไปทั้งเยขนาดมนหนึ่งในปลาเข้าไปทั้งสามสิบกว่าคนเข้ามนหนึ่งปีนีน้ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนที่เข้าใจนคนข้างนอกเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจในธรรมะที่ได้เรา พยายามเอามาเสนอเอามาประกาศเพื่อให้ดรู้ได้รับทราบกันว่าอย่างนี้อย่างนี้นะออกไปเป็นพฤติกรรมให้เขาเห็นกันให้เขารู้กันว่าเราเป็นอย่างนี้เราอยู่กันวั น, ว, นวันคืนคืนอยู่กันอย่างนี้ใสแบบนี้แหละพฤติกรรมแบบนี้แหละอย่างเราออกไปชุมนุมตั้งเก้าเดือนเก้าเดือนกว่า คนเ็าก็รู้ก็เห็นเราก็อยู่ของเราไปเงินเราตั้งเก้าเดือนกว่าอย่างคนใกล้ๆเคียงๆคนมีปัญญานี่เห็นลนะหรือคนจรมาก็ตามพวกที่เข้ามาสัมผัสจรมาเป็นครั้งคราวก็ตามวันเล่า ว, วันเล่าเขาก็จะเห็นเขาก็จะรู้ว่าโอ้พวกนี้มันมีนิสัยอย่างนี้มันมีวิสัยอย่างนี้ นิสัยกับวิสัยเนี่ยลึกกว่ากันนิสัยน่ยคือกำลังฝึกหัดอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ถถึงขั้นวิสัยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักแล้วเป็นสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแข็งแรงในตัวเองเป็นแบบนี้นวิสัยเป็นแบบนี้แล้วแก่ยากหรือแก้ไม่ได้เลย วิสัยท่านิสัยนี่กําลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็อาศัยแต่ก็อาศัยอาศัยอันนี้อยู่เป็นเป็นแบบนี้ไปนะส่วนอาศัยนี่ยิ่งร่องแรงร่องแรงเลยอาศัยเนี่ยเป็นแต่เพียงสัพทแต่ว่าอาศัยคืออยู่สยะนี่แปลว่าตัวตนตัวเราตัวเราอยู่วันนี้พอดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นนิสัยนิน่ะนิสัยเปลี่ยนได้เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะวิสัยเนี่ยแน่นอนนะมันคงวิสัยนีย่เป็นตนนต่างกันไปใสนิสัยวิสัยต่างกันไปเป็นปลำดับพวกเราเองสร้างตัวเองอาตมาการสอนนิสิตวอนอบอมหาวิชารามนาวาบุญยมที่เป็น สถาบันใหม่เกิดขึ้นปีนี้คือคักมากจะบอกว่ารับทางเน็ตได้ก็คงจะได้เห็นได้ดเูเราเรียนกันคือคักนะ่เาเรียกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่น่าน่าชื่นใจตั้งมาตั้งแต่มวชส ส, สรวบบ บ, บมาจนถึง วอนอบอโอ้โหกว่าจะพอเป็นพอไปนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าเข้าเข้าฝักไปบางแล้วใช่ได้อัตมา ก, ก็เลยกลายเป็นผู้สอ น, นมีวิชาประจำทั้งสามวิชาวิชาพุทธชีวศิลป์วิชาสรรค์ค่าสร้างคน วิชาความรักสิบมิติอสอนไว้สามวิชาวิชาความรักสิมิตินะั้นสอนปีเดียวปีหนึ่งเอาให้จบปีเดียวปีอื่นก็หาวิชาอื่นเข้ามาใส่แทนส่วนสรรค่าสร้างคนกับพุทธชีวศิลป์ น, นั้นมันเป็นความรู้ที่ไปเอกนานมันเป็นคา ก, กลาง สรรค์่าสร้างคนคำนี้ก็รู้สึกว่าก็ก็ดูดีหมายความว่าเราเลือกเฟ้นฝึกฝนให้บุคคลเข้ามาศึกษาฝึกฝนสรรค์่าให้เกิดคุณธรรมให้เกิดคุณค่าต่างๆของชีวิตได้สร้างคนขึ้นมาเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐขึ้นไปไเรื่อยๆท้งสภาพองค์ประกอบของโลก ส่วนพุทธชีวศิล์นไม่ต้องพูดไปเรื่องศิลปะทางพุทธแน่นอนซึ่งชีวิตมนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีรวมมาไว้หมดทั้งธรรมาศาสนาในนั้นเสร็จก็จะเน้นพุทธศาสตร์และเพราะว่าชื่อว่าพุทธชีวศิลป์ไม่ใช่ชื่อาศาสนาอื่นาศาสนาพุทธสรุปแล้วก็เป็นการสร้างคน จนคนมีคุณบุญมีคำกิจกรรมมีผลเจริญซึ่งเป็นหลักสามที่อาตมาตั้งไว้นานแล้วจนวันนี้พวกเราก็อย่างสุดเอามาเกินกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้มันออ ก, ออกผลจนกระนั่งเอามายืนยันตามหลักนี้ได้คนมีคุณ คือคนนี่ดีขึ้นมาเจริญขึ้นมาสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณนะมคณีคุณคุณค่ามีคุณประโยชน์แล้วก็มีภาวะของคุณค่าคุณประโยชน์เรียกว่าคุณภาพหรือคุณภาวะมากขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็อยู่ในตัวบุคคลเรียกว่าคุณธรรมทรงไวซึ่งคุณนะั้นนั้ น, น, น ธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่ทรงไว้เกิดคุณค่าเกิดคุณประโยชน์คุณค่าคุณประโยชน์น่ะเป็นคุณภาพหรือคุณภาวะน่ะจนเป็นคุณธรรมเกิดคุณธรรมแล้วก็แสดงออกต่างๆมีเราเป็นเรามีแล้วก็แสดงออกเป็นคุณลักษณะน่ะเป็นคุณลักษณะต่างๆน่ะ สั่งสมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติสั่งสมลงไปมากมากเข้าเป็นเป็นทรัพย์ของเราเลยเป็นกองทรัพย์เลยว่าคุณนันทิคุณนันินะเมื่อสะสมเป็นเป็นทรัพย์เป็นกองทรัพย์เลยว่าคุณนันท่เป็นคลัง จนกระทั้งมันมากมันก็แผ่รังสีแผ่แผ่ผลให้คนรับได้แม้เป็นนามธรรมเป็นกระแสะอารูปกมันก็มีพลังมีคนรับได้ไม่ใช่สัมผัสได้แต่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ต้งเป็นอารูปธรรมสัมผัสได้ถึงขั้นเป็นนามธรรมเป็นคุณอราศี เป็นคุณราสีขึ้นไปเรื่อยๆรวมแล้วที่เราทำเนี่ยเป็นเป็นพุทธคุณเป็นธรรมคุณพุทธคุณเป็นคุณแบบพุทธทรงไว้แบบพุทธเลยว่าธรรมคุณคุณต่างๆเหล่านี้อยู่ในขั้นคุณวิเศษเป็นคุณวิเศษเป็นคุณอันเลิศ คุณนั้นไม่เหมือนกับโลกโล ก, กีเขาทีเดียวเป็นอาริยะคุณอาริยะธรรมเป็นธรรมะอันประเสริฐจริงๆอาตมามาใช้เรียกว่าอาริยะไม่เรียกอารยะธรรมไม่เรียกอาริยะธรมม ร, ร, ะธรมอย่างเข้าแหละเพราะว่ามันเพี้ยนไปอารยะมันเอาไปเจริญแบบวัตถแบบุแบบโลกโลกแบบโลกีไปหมดโล ก, กีแหละมาเป็นนามธรรม เป็นจิตวิสัยเป็นอริยธรรมก็เป็นจิตวิสัยอริยธรรมก็เป็นวัตถุวิสัยหรือเป็นเพราะวิสัยอันนี้เป็นอัตวิสัยแล้วเป็นจิตวิสัยจิตวิสัยอัตวิสัยนี่เขาเรียก subjective ไปเป็นวัตถุวิสัยหรือเป็นภาวะวิสัยเขาเรียก objective ก็สั่งสมลงไปใต้ทั้งสองอย่าง เราไม่ได้ทิ้งทั้งสองอย่างจนมันเกิดคุณวิเศษคนมีคุณคุณต่างๆดังกล่าวนี้เป็นคุณวิเศษเป็นอริยะคุณซึ่งมันไม่เหมือนเขาคนโลกเขาเต็มไปด้วยโลกียะเต็มไปด้วยจะต้องแย่งลาบยศสรเสริญโลกียะสุขโลกียะสุ ข, สขด้วยกามและด้วยบําเรล อ, อัตตาแต่เราศึกษา ศึกษาการศึกษาอัตตาตามที่พระเจ้าท่านสอนเริ่มเราด้จักกัดปวัฒนสูตรกามาสุขลิกะอัตตกิลมัตถะแล้วก็เข้าใจทั้งอัตตาทั้งกามแล้วก็ลดกิเลส ท, ที่มันเป็นการเป็นอัตตาลดลดได้จริงจึงเกิดคุณค่าของชีวิตและก็เป็นคุณประโยชน์ของชีวิตประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัว จนกระทั่งมันทำได้เยอะชำระไอสิ่งที่เป็นอวิชชาความไม่รู้ชำระ ก, กิเลสออกไปได้จึงเรียกว่าบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระหรือการชาระถ้าไม่ได้เป็นเครื่องชำระและมันก็ไม่เกิดการชำระแล้วก็ชำระ ก, กิเลสออกได้กรรมกิริยาใดๆ ไ, ไ, ไม่ได้ชำระ ก, กิเลสไม่ได้ว่าบุญ ยังไปเพิ่มกิเลสทำทานนะกิเลสก็ยังเพิ่มติงตะกละมากอยากได้ตอบแทนมากนี่เป็นต้นซึ่งศึกษาไม่สมาธินัตติทิ น, นังทานเทให้แล้วไม่มีผลไม่มีผลในการลดละกำจัดกิเลสนัติทิ น, นังแต่พวกเราในยพยายามศึกษากันถึงใจทำใจในใจเป็น มณสิกโรติหรือมณสิการเป็นโยนิโสแยบคายท่องแทจัดการไปจนถึงสัมภะที่เกิดของจิตแดนเกิดของจิตแล้วก็ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงได้มันก็จับตัวจิตได้ทำลายจิตอกุโซละจิตได้ก็เกิดผลบุญมีคำก็สะสมบุญ ที่จริงบุญนั้ไม่ได้สะสมบุญเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการกําจัดกิเลสบุญไม่ใช่เนื้อหาสาระอะไรบุญเป็นเครื่องมือเท่านั้นทำหน้าที่เท่านั้นพอทำหน้าที่เสร็จคนผู้ใดเป็นอรหันต์แล้วนี่เป็นตน้นทำหน้าที่กําจัดกิเลสชำระกิเลสเสร็จเกลี้ยงก็ไม่ต้องทำบุญเครื่องมือ คือบุญก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีบุญไม่ต้องได้บุญไม่ต้องใช้บุญไม่ต้องทำบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปปุญญปาปะปริกขีโนเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วบาปคือกิเลสกิเลสก็หมดไม่มีกิเลสให้ชำระบุญก็เลยไม่ต้องทำบุญก็เลยไม่ต้องใช้ เลอกจึงเรียกว่าบุญญะปาพระปริกีโนเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปสิ้นบุญสิ้นบาปเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่สิ้นบุญสิ้นบาปไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะคําว่าบุญตอนนี้เนี่ยอาตมากําลังขยายความให้เข้าใจคนไทยเข้าใจคําว่าบุญพิษกรงก่างค้าเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ได้บุญขีมหมูขีมหมาขีมหมูขีมหม า, ม ก, มามก็บุญ ได้ขยะอะไรก็บุญไม่ใช่บุญคือเครื่องชำระฟังให้ดีนะอาตมาแยกเครื่องชำระมันไม่ใช่สมบัติที่เราจะได้จะเป็นจะมีบุญเนี่เป็นเครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องจัดการชำระกิเลสด้วยวิธีการนั่นแหละเมือเครื่องบุญมันเป็นเครื่องเครื่องประกอบถูกต้องเป็นเครื่องกลแบบบุญมันก็ชำระกิเลสได้ รู้จักประหารห้าเป็นต้นรู้จักวิคำปรนับประหารทํำยังไงมีปัสนาวิธีและก็สามารถกําจัดกิเลสได้ล้างกิเลสได้จริงเป็นต้นทําได้เป็นครั้งคราวเลยว่าตทังคปะหารทําได้เก่งได้เด็ดขาดเลยว่าสมุทเฉตประหารก็ทําอย่างนี้แหละทำอย่างที่มันได้เด็ดขาดอย่างเนี้ยสมุทเฉตประหารเนี่ยทำมัน้าไปทวนทํำก็ไปให้มันสงบให้มันระงับไปเรื่อยเรยแล้วว่าปฏิปัสัตถิปะหาร จนกระทั้งมันสมบูรณ์นิสระณะประหารประหารได้อย่างเด็ดขาดนิสระณะนี่ยิ่งก็เด็ดขาดมันเป็นที่พึ่งได้เลยมันเป็นตัดธ ต, ตามันเป็นเองเลยมันประหารเด็ดขาดเลยเป็นอะไรมากิเลสมามันประหารแต่ปั๊บมันประหารในตัวเสร็จเราไม่ต้องไปจัดการอย่างนี้เป็นตน้นมันเป็นของเราในตัวเป็นวิสัยติดตัวติด ต, ต, ดตนเป็นวิสัยเลย ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปเอาใจใส่มันทำก็มันเองเป็นอัตโนมัตินั่นคือสมบูรณ์แบบนะทำได้ขนาดนั้นเป็นการสมบูรณ์แบบเป็นตัต า, ตาเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่งงางนั้นก็มันเองเลยมันทำก็มันเองไม่ต้องไปใช้พลังงานต้องคอยใช้สติรู้ตัวแล้วก็คอยจัดการไม่ต้องนะมาแตะเป็นเป็นนิสชนะประหารเลย มาแตะปุ๊บมันจัดการปั๊บเองเลยนะเราไม่ต้องรู้ก็ได้มันทำงานให้เรามันเป็นในตัวเราเป็นวิสัยเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นสมบูรณ์สุดมาถึงขั้นนั้น <c oughs> เพราะงั้นเราสร้างสร้างโดยการเอาบุญเนี่ยมีคำทุกคนยังไม่สำเร็จก็ต้องใช้เครื่องมือนี้แล้ว่า บ, บุญพอเสร็จแล้วก็ไม่มีบุญไม่ใช่บุญมีคำแล้วเป็นกิจกรรมมีผลเจริญ หมายความว่าที่เราทํามากิจกรรมที่เราทําเป็นกิจยานสัจยานกิจยานมันขึ้นขั้นกะตะยานมียานสมบูรณ์แบบแล้วสิ้นกิจจบกิจแล้วไม่ต้องทําแล้วเต็มอ่าเป็นปัญญาเป็นตัวรู้รู้อย่างละเอียดรู้แม้แต่มันสัมผัสกับเรามันรู้แล้วมันก็จัดการของมันเองอัตโนมัติเลยนะ กิจกรรมมีผลเจริญมันเจริญดังนั้นนี่เป็นนามธรรมที่พู้นี่เป็นลักษณะของสัจธรรมนามธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่นี้กิจกรรมมีผลเจริญในท่านรูปในทางรูปในทางวัตถุเราก็มีด้วยเพราะธรรมะของพระเจ้ามันเจริญทั้งสองส่วนได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนอุปยัตถ์ได้ประโยชน์น ไ, ดชนได้กําไรได้ผลทั้งสองอย่าง ได้ผลทั้งละกิเลสได้ผลต้องการสร้างสรรการเป็นประโยชน์ผู้อื่นการเป็นประโยชน์ทางวัตถุมันเกิดพร้อมกันเลยเพราะยังความรู้โลกวิถูของพระเจ้ารู้โลกแล้วเราก็อยู่เหนือโลกเราไม่ได้หนีโลกแต่เรารู้โลกรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลเราก็ไม่ทำโลกนี้อย่างนี้เขาปรุงแต่งกันเป็นสมมติโลกมันไม่ดีมันไม่ขาา้อธาเราก็ไม่ทา ถ้ามันดีเราก็ทำเขาดีมากเขาก็ทำมากดีสำคัญดีมากแต่คนไม่ค่อยทำคนทำไม่ค่อยเป็นเราทำเป็นมันก็ยิ่งเป็นอุปสงค์สูงเป็นดีมานสูงเราก็ยิ่งอุปทานยิ่งซัพพลายมันยิ่งขึ้นซึ่งมันจะเป็นความรู้มันจะทำถูกต้องไปหมด เพราะวิชาการทั้งโลกเขาเรียนของพระพุทธเจ้านี่มันอยู่ในตัวหมนเลยมันจะเป็นสัจจะของมันตามที่เขาเรียนแม้เราจะไม่รู้ทฤษฎีที่เขาเรียนกันวิชาการที่เขาเรียนกันปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเป็นโลกะยตศาสตรสท์ทั้งโลกทั้งหมดเราไม่ได้เรียนแต่สภาวะพวกนี้ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมพุทธเจ้าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นโดยตัวมันเองมันพามีผลเจริญทั้ง จิตวิญญาณเมื่อจเจริญจิตวิญญาณกายกับวัจกรรมมันก็จเจริญแรงงานมันก็จ ะ, จะเจริญการเลือกเฟ้นงานมันก็เลือกเฟ้นอย่างมีปัญญาอนาวชัชรู้จังงานนั้นเป็นคุณค่างานเป็นประโยชน์งานเป็นโทษไม่ทำทำงานเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์มากประโยชน์น้อยก็มีความรู้ตางเศรษฐศาสตร์ที่จะคัดจะเลือก อย่างนี้เป็นต้นสำคัญก่อนสำคัญหลังอะไรก็แล้วแต่เนะมื่อกิจกรรมมีผลเจริญทั้งวัตถุทั้งนามธรรมจิตวิญญาณดังที่กล่าวนี้จึงเห็นผลมีผลทั้งมนุษย์ที่มีจิตเจริญมีผลทั้งวัตถอุองค์ประกอบทางวัตถุที่เจริญเพราะเราทําตามระบบตามลำดับ สิ่งที่เป็นปัจจัยชีวิตอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างนี้เป็นตน้นเราก็รู้ชัดเจนข้าวเปลือกคนทั้งโลกแหละเป็นคำตัดคำพุทธเจ้านะมาจากอิ น, อนเดียนะข้าวเนี่ยทั้งๆที่อินเดียเขาไม่กินข้าวสวยกันหรอกเขาเอาไปทำเป็นแปงนะ้งแต่ก็ข้าวนี่แหละ เป็นหนึ่งในโลกโฮจ่าตรัดเป็นหนึ่งในโลกแต่แตะยุคท่านสองพันกว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็หญิงสําคัญเลยเดี๋ยวนี้คนรู้จักข้าวกินข้าวสวยกินข้าวหงุงกินข้าวเหนียวอะไรเป็นละข้าวเหนียวยังแพร่หลายเท่าไหร่แต่ข้าวสวยนี่แพร่ไปทั่วโลกแล้วตอนนี้กินข้าวสวยเป็นละญี่ปุ่นยังขี้อานะข้าวสวยกินในเหมือนจีนทุยเลย อาพุ้ย อ, อาปากใส่แล้วก็พุ้ยใส่ปากเลยจีนญี่ปุ่นยังก็ค่อยขียบเกาหลีก็เหมือนกันขีบขีบโอ้ขีบง่ายเนี่ยแล้วข้าวสวยไม่ใช่ข้าเหนียวไม่ได้เป็นก้อนเป็นปันไม่ติดกันนหน่อยแต่เข้าก็หวาดไปเอของเราเนี่ยไม่ต้องขีบเลยเอามือคว้าเลยกํามาใส่ปากแม่ข้าวสวยแม้ยิ่งข้าวเหนียวยิ่งปันเลย นะใส่ปากเลย <c oughs> สรุปแล้วข้าวเป็นหนึ่งในโลกแล้ไม่ใช่อานเน่ข้าวเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเราจึงมีโครงการข้าวแสนตันทุกวันนี้ชาวโศกเราอยู่ในเครือข่ายเครือแห้เนี่ยรวมกันแล้วจะทำข้าวได้ประมาณปีละสองสองพันตันมันห่างไกลแสนเป็นลิบลับเลยนะ ส0 0พันตันในหมื่นยังไม่ถึงเลยหมื่นหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยห้าพันตันมันยังไกลมากเลยแสนเนี่ยแต่เราก็ตั้งโครงการเอาไว้กี่ปีก็ช่างมันแสนตันซึ่งข้าวที่เราจะสร้างต้องเป็นข้าวคุณภาพเป็นข้าวอินรีตอนนี้ตื่นตัวนะสังคมตื่นตัวกันทึงเรื่องข้าวอินรีข้าวข้าวคุณภาพ ก็ค่อยๆว่าเนินการกันไปก็ชาวอโศกเราต้องประสานมือกันร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมปุ๋ยสะอาดปุ๋ยอินรีของเราก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราก็จะก้าวหน้าไปทางปุ๋ยรู้จักการรู้จักธาตุรู้จักอินรียสารที่มันจะเข้ามาช่วยนี่ก็ได้ข่าวว่าทางอินเดียอินเดียใช่ไหม เขานาตัวใหม่มาเป็นซุลินซีใหม่มาจุลินซีก็คืออินรีตัวเล็กจุนละอินรีตัวเล็กเจุกจุลินรีก็ <c oughs> จะได้ใหม่มาอีกมีคุณภาพดีว่า ง, งั้นเอาเลยเราก็ <c oughs> ค่อยๆสะสมนะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ในตัวสิ่งเหานี้เป็นวิทยาศาสตร์ เราจะเก่งวิทยาศาสตร์ทางด้านไบโอโลยีก่อนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี Technology ทั้งเอน็นนนเขาว่าเขาไปเขาเราทางไบโอโลยีก่อนทั้งชีววิทยาแล้วเราก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อกินเพื่ออยู่ยังมีเรื่องที่คนยังนึกไม่ออกว่าอัตมาจะเอาสามอาชีพมากู้ชาติเรื่องข้าวนะ กษตรกรรมธรรมชาตเรื่องพืชพันธุ์ธัญญารจะเอามากู้ชาติก็ไม่มีใครสงสัยอะเรื่องปุ๋ยก็ยังไม่มีใครสงสัยว่าเ อ, อมันเป็นเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบในการที่จะเอามาใช้พัฒนาซึ่งทุกมาถึงวันนี้แล้วเราเกิดเรื่องปุ๋ยปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงปุ๋ยก้อนอ่าซึ่งเราจะผลิตต้องรักษาคุณภาพจริงๆนะ ฐานจิตของพวกเรานี่ไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ลาบไม่เห็นแก่รายได้ไม่เห็นแก่วัตถุที่ได้เปรียบเสียเปรียบเราจิตใจของเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันก็คงไม่มีปัญหามันคงไม่ยากนักที่จะเราจะรักษาคุณภาพนะเพราะว่าไอ้สิ่งเราอามิตดเหล่านั้นมันน้อยเราไม่ได้เห็นแก่อามิดเพราะการสร้างคุณภาพของสิ่งใดก็แล้วแต่ มันจะจริงจังอยกัการสร้างสิ่งที่เป็นคุณภาพมันก็จะเจริญจะพัฒนาขึ้นได้นะเพราะงั้นพวกเรานี่แหละจะสร้างสิ่งที่เป็นการเจริญไม่ว่าจะเป็นทางกษิกรรมไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ต่อไปหนักเข้าต่อไปในอนาคตทางวิศวกรรมก็ตามอุตสาหกรรมก็ตามมันก็ค่อย ๆ, ๆจเจริญออกไป แต่ฐานรากของเราคนโซนนี้เนี่ยมันต้องเอากสิกรรมเป็นหลักฐานตะวันตกของเขาก็าต้องเอาอุตสาหากรรมเป็นหลักมันก็ใช่ภูมิทัศภูมิประเทศองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนะสัมปวังโกของเขาเขาก็ต้องทำแบบนั้นถูกแล้วแต่ของเราเนี่ยมันโซนอุ่นโซนร้อนทั้งน้ำทั้งอุณหภูม แต่มันสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราทำอันนี้เป็นเหตุปัจจัยหลักแล้วก็ทำไม่ได้จะได้เลี้ยงโลกจะได้เลี้ยงไปเลยเกื้อกูลไปเลยเพราะคนเรามันกินอุตสาหกรรมมันกินวัตถุไม่ได้นะเทคโนโลยีมันเก่งไงมันก็ไม่ได้กินกินไม่ได้เอามาเลี้ยงชีวิตก็ต้องไปแปลรูปเป็นอาหาร แปลรูปเป็นของกินแต่เราได้สร้างของกินเลยเนีย่มันเรียกว่าชั้นหนึ่งของเขายังอาหารเขาเป็นชั้นสองเทียบยังไงยังไงความสำคัญของปัจจัยอาหารมันก็ชั้นหนึ่งวัตถุมันก็ต้องชั้นสองอยู่ดีจะเก่งขนาดไหนก็ตามเมื่อเราได้เปลีย่ยน ถวะกันจริงๆเราได้เปรียบเกี่ยวกับชีวะเลยเราได้เปรียบทางตะวันตกต่อไปในอนาคตเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์มากกว่าทางวัตถนะุในอนาคตนะพวกเราเนี่ยจะเป็นต้นทางต้นแบบที่เรียนรู้เข้ามาทั้งนี้แล้วมีสมรรถภาพมีสมรรถนะ การสร้างสรรค์ท้งนี้ดีขึ้นได้ก่อนเขาโดยเฉพาะหลักประกันสาคัญคือจิตวิญญาณไม่ชี้โลกไม่ทาลายโลกโกรธเนี่ยโกรธฤทธโทสะนี่มันตัวทำลายโลกมันตัวห่วงแหนตัวยึดเป็นตัวกูของกูโลกส่วนโทสะเป็นตัวทำลายเป็นตัวพลานเป็นตัวทำให้เสียหาย เพราะเราเองเราศึกษาแกนกงโทสะโลภะเราไม่มีการทําลายโลภเราก็ไม่ไม่ติดแต่เรารู้จักว่าอะไรควรยึดถือแล้วก็ช่วยกันสร้างเมื่อโลภเห็นแกตัวเห็นแก่ได้มันไม่มีมากมันก็สร้างขึ้นมามันก็เกิดผลเมื่อโลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขีดเหนียวมันไม่มีมากเราก็สะพัด แจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลยิ่งเราศึกษาตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าเรามักน้อยสันโดษน้อยก็พอมันพอกิเลสนี่มันกินเปลืองจริงๆเลยนะกิเลสนี่กินเปลืองกินพลานยิ่งโง่ยิ่งเปลืองยิ่งโง่ยิ่งเปลืองยิ่งพ ล, ลานยิ่งสูญเสียขนาดสพอร์ตมันไม่ทัน ซัพพลายมันไม่ทันเลยนะกิเลสเนี่ยมันกินจุกินสุร่สุรากินตะกุมตะกรามกินโง่โง่กินใ้สิ่งมีหน้ากินมันก็กินกินเลอะเทอะนะกิเลสนี่นะอธิบายง่ายง่ายสื่อกิเลสมันกินจอบกินเสียมันกินดินกินหินมันกินเจ้ามาอธิบายง่ายๆ่สื่อ มันกินจริงไหมกิเลสมันกินจอบกินหินกินดินกินสารพัดไอ้กินธนบัตรนะไม่ต้องห่วงนะมันกินเก่งเลยกินธนบัตรกิเลสโฮเนี่ยมันเปลือมันพลานมันทำลายมากนี่เป็นสัจจะเลยเพราะฉะนั้นเราลดกิเลสได้เนี่ยความสูญเสียก็ขึ้นมา เวลาคืนมาแรงงานคืนมาทุนร้อนและสิ่งที่จะเอาไปหมุนไปสพัดกับมันเนี่ยจะเอาไปแลกไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็คืนมาลดลงเราจึงอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในเวลาด้วยแรงงานนะแรงกายแรงสมองแล้วก็ด้วยวัตถุที่ใช้เป็นหลักจะแต่เงินทองเข้าของสมบัติสิ่งที่มีค่ามีราคาเป็นวัตถุทั้งหมดนั่ก็ได้คืนมาหมด นี่นะมันรวยมันอุดมสมบูรณ์ยิ่งเราไม่ยึดถือเป็นเราเป็นของเราในระบบบุญนิยมระบบสาธารณโพคีเนี่ยมันยิ่งยอดเลยอย่างที่สุก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้มันยิ่งยอดเลยมันสะพัดกันไม่หวงไม่แหนไม่ทำลายไม่เสียเวลาต้องมาคิดการคิดดอกเบี้ยเสียเวลานะเสียเวลานะ ไม่ต้องคิดเลยดอกเบี้ยไม่ต้องคำนึงด้วยต่างคนต่างยืมใช้แล้วเรามีความซื่อสัตย์เราก็ไม่ชักดาบเราก็ไม่โกงเราก็ไม่งุบงิบมีเราก็คืนไม่มีเราก็ขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันซื่อสัตย์สุจริตตามจริงมันจะเกิดการคล่องตัวเกิดการคล่องตัวไม่มีอะไรกักไม่มีอะไรห่วงแล้วจีดอกเบี้ย ไม่อยากให้ห่วงมันก็เกิดการกักแล้ว อ, อย่างนี้เป็นตน้นมันห่วงเมื่อกี้ห่วงมันจิตห่วงแหนเป็นตัวกูของกูมันซ่อนไม่รู้กี่ชั้นเพราะเมื่อเราสามารถละกิเลสได้จริงเนี่ยคุณสมบัติของคนมันสูงสูงประเสริฐเพราะอําระกิเลสได้เทา่าไรบุญมีค้า ชำระได้เท่าไหร่มันก็มาคำจุนเราให้เจริญเจริญกิจกรรมต่างๆมันก็ได้อะไรคืนมาเวลาคืนมาทุนรอนคืนมาทุนทรัพย์คืนม า, นคนมาแค่นี้แหละโอ้โหมันมหาศาลเลยแล้วก็เอามาทํามาสร้างอะไรเท่ไหร่ได้กิจกรรมก็มีผลเจริญนะเพราะฉะั้นมันเจริญจนกระทั่งเราเองเหลือกินเหลือใช้ จิตของเราไม่คีรพไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ว่ามันจะต้องเอาไปออกดอกออกผลปันผลมาโลภโมกโลงมากแม้แต่มันทําเองสร้างเองมันก็เหลือแล้วแล้วเราก็พอแล้วแล้วเราก็น้อยได้เราจึงไม่เกิดการโลภขยายผลโลภมันไม่งอกไม่งามความโลภมีแต่หมดลงหมดลงมันก็ยิ่งคือความเจริญ จึงเป็นนักเศรษฐกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์ยอดเลิศที่สุดเลยในโลกมนุษย์เนี่ยมันเศรษฐศาสตร์บุญนิยมหรือเศรษฐศาสตร์จนทำได้ถึงขั้นสาธาโรโภคีเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีเอกในอนาคตเขาถือว่าอดัมสมิทเป็นเจ้าแห่งเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนะซึ่งตราคำว่า maximize profit ได้มากเท่าไหร่แต่เปรียบมากเท่าไหร่กำไรมากเท่านั้นนั่นแหละคือหลักของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมส่วนของโลกุตระเราเนี่ย minimize pro profit ไม่ใช่ maximize profit minimize profit น้อยเท่าไหร่ยิ่งไม่เอาเลยศูน ยิ่งเจริญถือว่าเป็นผลได้ยิ่งให้ก็ได้มากเท่าไรเป็นผลได้ตามที่ประเทศไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระปัญญาที่คุณลักษณะนี้เลยขาดทุนของเราคือกำไรของเรา all loss x our gain ชัดเจนเลยถ้าคนไม่รู้พูดอันนี้ไม่ออก ไม่รู้คุณค่าไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงว่านี่แหละคือสัจจะเราขาดทุนของเรานี่แล้วเราได้เป็นเงินของเราเป็นผลประโยชน์เป็นกาไรของเราเป็นรายได้ของเราการขาดทุนการเสียสละการให้คนอื่นไปเนี่ยนี่แหละคือรายได้ผลได้เป็นเงินของเรา เมืองไทยมันดีอย่างเงี้ยมันมีคนระดับโพธิสัตว์อัตมาก็เลยก็ยังชั่วแต่สกเกนก็บอกว่ามันก็ยังชั่วอยู่ดีนะสกเกนก็ยังชั่วแต่มันก็ยังมีชั่วอยู่ น, นั่นแหละมันก็ยังชั่วอยู่ดีก็ยังชั่วคือชั่วน้อยลงไปหน่อยชั่วน้อยลงไปหน่อยมันก็ยังชั่วอยู่ น, นั่นแหละกระชนยแต่มันก็ดีขึ้น เพราะเราเองเราทำถูกต้องตามทิศทางโล ก, กุตระหรืออริยะที่ประเสรฐนี้แล้วเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จเจริญวัตถุก็จเจริญเจริญไปทั้งสองส่วนอย่างแท้จริงแม้เราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดูมันเล็กๆอัตมาพูดไปถึงปุ๋ยก็แล้วกเษกเษตรกิกรรมธรรมชาติก็แล้วว่ามันไม่สงสัยนัก แต่ที่สงสัยคือขยะมันจะมากู้ชาติได้ยังไงกันวสละมันจะกู้ชาติได้ยังไงมันจะกู้ขยะมากู้ชาติขยะเนี่ยจะเป็นตัวทําลายชาติทําลายมนุษย์ขยะอัตมาเขียนไว้ตั้งแต่ทำหนังสือแสงสนูนบรรยายไว้ ขยะมันมีแต่ตั้งขยะวัตถุไปจนถึงขั้นขยะพฤติกรรมกายกรรมวิจิกรรมก็เป็นขยะมาจากมโนเป็นยอดขยะคือกิเลสคือความไม่ดีตัวอกุศลของจิตมันเป็นขยะอย่างยิ่งของจิตใครไม่รู้จักมันก็พาเน่าท่านเรียกว่าหมากักหมมเน่าใน ศาสตร์ความบริจาเรียว่าหมักมมเน่าในมันหมกหมมมันมันถมทับรับเป็นจุลินทรีย์ทางวิญญาณจุลินทรีย์ทง้งจิตหมักหม ม, มเน่าในมันก็ยิ่งแย่ใหญ่พระเจ้เราต้องรู้ทั้งขยะตั้งแต่วัตถุขยะตั้งแต่พฤติกรรมกายวาจาเป็นวิญญาต กายวิญญาต์วจีวิญญาตการเคลื่อนไหวที่เป็นองค์รวมของกายการเคลื่อนไหวของภาษาพูดวจีวิญญัตมันมีผลต่อมนุษย์ชาติเราศึกษาได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันมาเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นคุณอย่าให้มันเป็นโทษกำจัดขยะ เพราะฉะนั้นถ้าอธิบายไปถึงจิตใจที่เป็นขยะเป็นกิเลสก็พอฟังได้พวกเราจะฟังขึ้นง่ายว่ามนันขยะแล้วมันจะทำลายจริงๆถ้าขยะทางจิตเป็นกิเลสมากขึ้นก็ทำลายแน่นอนจากจิตจักมาเป็นวัจจีก็ทำลายมาเป็นองค์ประชุมร่วมเป็นกายกา ย, ยสังขารเลยมันก็ไปทำลายกันมากมายจากพฤติกรรมมนุษย์ กายวาจาใจมันเป็นขยะที่เกิดจากอากุศลจิตเป็นตัวประธานเกิดพฤติกรรมกายวาจาใจเป็นขยะอยู่ในโลกทาลายและเพราะจิตปัญญามันมีปัญญามันรู้สิ่งที่เป็นขยะมันก็ไม่มีตั้งแต่จิตเป็นตัวประธานมนโนภพังวจีมันก็ไม่มีขยะกายกรรมมันก็ไม่มีขยะกายสังขารมันก็ไม่มีขยะ เมื่อมันไม่เกิดขยะมันไม่กอบกู้โลกไม่ไ่กอบกู้สังคมได้ยังไงมันไม่กอบกู้ชาติได้ยังไงมันไม่เป็นขยะทั้งภายนอกภายในมันเป็นต้นทางที่รู้และไม่ให้เกิดขยะวัตจีก็ไม่มีกายกรรมก็ไม่มีวัตถุก็ไม่ถูกก็ทำให้เป็นขยะเพราะฉะนั้นวัตถุเป็นขยะแห้งก็ตามเป็นขยะเปียก จนไปเกิดแบคทีเรียเป็นโรคขาก็ตามเป็นโรคร้ายแรงก็ตามแห้งๆมันไม่เคยเกิดเป็นเชื้อโรคหรอกแห้งๆไอ้มันมีเปียกมันมีน้ําเข้าร่วมประชุมด้วยมันจะเกิดเป็นตัวผิดภัยได้เร็วหรือแม้แต่ในอากาศก็ตามแต่ในของแห้งๆเนี่ยมันมันไม่เป็นเท่าไหร่ แต่เป็นขยะแห่งๆมันก็รกกินที่ทาไม่เรื่องเชื้อเพลิงเชื้อไฟเชื้อพิษภัยอะไรก็แล้วแต่ต้องกำจัดโลกมันจะมีขยะมากขึ้นไม่ว่าขยะทางวัตถุไม่ว่าขยะทางนามมาทำมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เ, เพิ่มขึ้นในโลกซึ่งไม่ใช่ง่ายอตมาพูดไว้ในมัน Adva านซมันล้ำหน้าไปไม่ใช่น้อยว่าขยะนี่มันจะเป็นตัวเป็นภิกภัยของสังคมมนุษยชาติล้วอธิบายแล้วว่ามันเป็นขยะทั้งนอกและในเป็นขยะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพรานะาเรามาเรียนรู้เนี่เรียนรู้ทั้งนามธรรมาลดขยะทางนามธรรมาขยะทางรูปธรรมก็ลดลง เพราะเราจะต้องรู้ว่าวัตถุต่างๆเราก็จะต้องเขเมิดกระแหมรู้รจักการสร้างรู้จักการเก็บงํารักษาประหยัดมัธยัติไม่ซุรุยสุร่ายอะไรพวกเนี้เราจะมีภูมิปัญญาเห็นความสําคัญในสิ่งพวกนี้ค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกนิสัยค่อยๆฝึกเรียนรู้มีนิสยัยรู้แต่มันมีมนิสยัยไม่ฝึกมันก็ไม่เก็บไม่งำํำนะ ไม่ดูไม่แลไม่ทิ้งขว้างสุริสุราชไม่มีกระใจไม่มีจิตไม่มีวิญญาณที่จะค่อยๆดูแลเข้าคล้องเก็บงําจัดแจ้งจัดรักษาอะไรพวก น, นี้หรืออะไรมันจะทําลายในตัวมันเองซ้อนเราก็รีบทําลายมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่รู้หรือไม่มีกระจิกกระใจจะทําแต่ถ้าเรามีความรู้มีกระจิกกระใจจะทําเราจะทํา และทำแล้วมันก็ไม่เกิดภัยไม่เกิดขยะทั้งวัตถุไม่เกิดขยะทั้งพฤติกรรมทั้งกายวาจาไม่เกิดขยะ ท, ท, ทั้งในใจนะมันช่วยโลกไหมพออธิบายมาถึงขนาดนี้กู้โลกกู้ชาติแน่นอนเรารู้ก่อนเขาเราทำก่อนเขาบ้านเมืองเรา ชุมชนเราหมู่บ้านเราสังคมของเราจะเกิดก่อนเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเชื้อโรคนะมันจะเป็นจริงๆนะคน่อยๆศึกษาไปเพราะฉะนั้นสามอาชีพกู้ชาติเนี่เป็นงานหลักถ้าจะว่าขยะแล้วนี่มันรวมทั้งวัตถุและจิตวิญญาณฟังเข้าใจนะ มันรวมทั้งวัตถุแจิตวิญญาณที่จะดูแลขยะตั้งแต่ขยะแห้งขยะวัตถุแท่งก่อนไปจนกระทั่งขยะน้ําขยะอากาศขยะจิตวิญญาณเลยต้องสามารถรู้แล้ ว, ลวเราสามารถกําจัดที่มันเป็นตัวเสียหายมันเป็นตัวทําลายทําร้ายมันเป็นตัวเป็นพิษเป็นไปเป็นไม่เป็นประโยชน์ต้องจะเข้าใจ นี่คือความรู้ของมนุษย์และมนุษย์จะเจริญมนุษย์จะมีองค์ประกอบร่วมอยู่ร่วมสิ่งแวดล้อมร่วมมันก็จะมมมไม่มีพิษมีภัยไม่มีตัวร้ายสิ่งร้ายอะไรจะอยูนอยน่นี่คือสามอาชีพกู้ชาติที่นี่เรารู้เรื่องกษะสิกรรมเราก็ทํำกษะสิกรรมกันแหละต่อไปในอนาคต ชาวโสกแต่ละหมู่บ้านแต่ละสังคมไม่ต้องไปพึ่งอาหารทัญญาธัญญาหารจากข้างนอกพึ่งตนเองรอดทั้งหมู่บ้านเลยผลิตกินเองเหลือเผื่อแผ่ไปแจกจ่ายจำหน่ายแก่ข้างนอกเขาอีกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น ส่วนมันจะเป็นวัตถุมันจะเป็นแท่งเป็นก้อนวิศวะขึ้นไปอีกก็ค่อยๆขยายเพราะเราทำของตัวที่เป็นอาหารหรือเป็นเครื่องอาศัยในระดับปัจจัยที่หนึ่งอาหารนะเราอันนี้สักก่อนเพราะจากอาหารจะมีอะไรอื่นๆก็วากันไปนะเครื่องนุงหม่มยารักษาโรค เรายารักษาแระคอบเรื่องอยู่แต่เครื่องหนุห่มเรามันมันเฟอในโลกมันเฟอเครื่องหนุนห่มเรือเฟอื่อเราไม่ต้องไปคํานึงตอนนี้เรื่องเรื่องเคร่งหุนห่มแม่แต่บ้านช่องเรือนชานที่อาศัยเมื่อเกิดสาธารณโภคีแล้วและความเป็นพิษเป็นภัยในสังคมน้อยลงแล้วอยู่กันยังปลอดภัยอยู่กันยังง่ายเลี่ยงง่ายสุภาพ ะ, ระสุระโรร อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายนั่งง่ายไปง่ายมาง่ายภัยสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่มีข้างนอกเขาไม่ภัยสิ่งแวดล้อมขนาดขึ้นรถไฟมันยังเป็นภัยเป็นเรื่องกันอยู่นี่ไมไม่ปลอดภัยคนไม่ปลอดภัยมันเป็นคดีเห็นว่ามันถูกทำร้ายต้องแก้มั่ง เข้าไปขมคืนชำเราอยู่ในที่นอนที่อะไรอีกจกเกมเจ้าอะไรนะมันข่าวคร า, าวออกมาก็เลยเกิดความรู้กันว่าตายตายตายแม่ในรถไฟนี่มันก็ทำอาชญากรรมกันไม่รู้เท่าไหร่ผู้ดูแลบริหารปกครองไม่รู้ตัวไปทำเท่าไหร่ไม่รู้และผู้เสียหายเขาก็ไม่กล้ามาเปิดเผยเขาต้องเยอะ ก็จะมีผู้กล้าเปิดเผยไปเรื่อยๆก็จะได้รู้มันโอ้โหขนาดในรถไฟที่ส่วนศั์มันยังเป็นภัยไม่ปลอดภัยได้แล้วที่กว้างที่อะไรอะไรต่างๆนานานีนน่มันจะเป็นยังไงโหมันยิ่งยากเลยเพราะจิตวิญญาณเป็นตัวหลักถ้าจิตวิญญาณในคนเหล่านั้นมันไม่ถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีภัยมันก็ปลอดภัย มันจึงเป็นตัวหลักจริงๆเลยเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวหลักมโนปุพังขมาธรร ม, มาจริงๆนี่นี่เราศึกษาทฤษฎีพระเจ้าที่คนพบอาตมาก็พูดพู ด, พดว่าพระพุทธเจ้ามาดีศึกษาอะไรศึกษาเรื่องมนุษย์แล้วก็ศึกษาเรื่องสังคมศึกษามนุษย์ว่ามนุษย์แต่มันมีอะไรมันเป็นตัวการหลักจัดการตัวนั้นให้มันเป็นคุณจะให้มันเป็นโทษมันก็ สังคมก็เกิดจากคนหนึ่งคนสองคนห้าคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนหลายล้านคนมันก็เกิดจากตัวประธานใหญ่คือมโนปุพังคมาธรรมาพระพุทธเจ้าถึงแก้ปัญหาโลกสําเร็จพระเจาอโศราเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะเป็นกลุ่ ม, มนุษย์ที่แก้ปัญหาโลกสําเร็จก่อนเขา ต่อไปก็จะแพร่ทฤษฎีพวกนี้ออกไปคนอื่นก็ก็จะมาเอาตามพระพุทวเราก็ทุกน้อยหรือไม่ทุกไปก่อนเขามันก็จะเกิดคนมีคุณบุญมีคำกิ จ, จกรรมมีผลเจริญซึ่งกินความลึกอยู่นะคนมีคุณก็ต้องทำให้ถึงถึงคุณถึงขั้นอรหันเป็นอรหันแล้วก็ยังต้องมีความรู้ความสามารถ พัฒนาได้เป็นโพธิสัตว์มีความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ความสามารถของโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เจริญขึ้นมาเพื่อตัวเองเป็นอรหันต์แล้วหมดตัวเองหมดตัวตนมันเจริญออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เป็นคุณต่อโลกไม่หมดต่อผู้อื่นเพราะตนเองนะั้มันจบแล้วเท่านี้ก็พอไม่มีอีกก็พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดเกินขึ้นมา มีแต่เพื่อผู้อื่นเลยจึงเรียกว่าหมดประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ล้างกิเลสตัวเองให้หมดเกลี้ยงเกลี้ยงเสร็จแล้วไม่ถือว่าเป็นคนมีประโยชน์นั่นพูดเอาว่าตนเองไม่จบแล้วถ้าเกิดประโยชน์มีแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวจากอารหันต์ขึ้นไปเป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงพระพุทธเจา้า ก็มันดีเป็นแต่ประโยชน์คนอื่นทั้งนั้นจึงเป็นโลกานุกัมปายะหรือพระโหจนะหิตายะเป็นประโยชน์แก่มวลชนอื่นมวลชนมากหรือเป็นประโยชน์ช่วยโลกคนทั้งโลกเลยโลกาโนกัมปานี่เป็นสัจจะที่ทฤษฎีพระพุทธเจ้าถึงคนพบแล้วเอามาให้พิสูจน์พราะเรานี่จะเข้าใจขึ้นเยอะเช่นอนาหาาันต์ตายแล้วไม่สูญแต่กิเลสตายแล้วสูญ อาราหันคือกิเลสตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกเลยนิจังทุวังสัตตังเอาอิปปรินามะธรรมังอสั้างหฮรังอสังกุปปังไม่เกิดอีกไปฟื้นตายแล้วไม่กลับกำริงจึงจะชื่ออรหันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีกิเลสขึ้นมาเกิดอีกมันก็มีแต่คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นท่ายเดียวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่ประเสริฐได้หลักประกันอันนี้จึงไม่เป็นขยะสังคมแต่เป็นตัวรังสรรสังคมสร้างสรรค์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริงเพราะนั้นพวกเราที่มาศึกษาศาสาตร์ศาสตร์อันนี้มาศึกษาวิชาการอันนี้ จะเป็นคนแบบนี้จะเป็นที่พึ่งของโลกเรียกว่าสรณะหรือโลกกันนาตโลกกันนาที่พึ่งของโลกพูดและฟังดูใหญ่ใหญ่แต่จริงตอนนี้เราได้พึ่งให้แก่คนไม่มากเพราะเรายังมีแรงตรง่านี้มีความรู้ความสามารถทา่านี้เลยทาได้แค่นี้ก็เชอะความเห็นแก่ตัวน้อยหรือไม่มีความเห็นแก่ตัวทาได้น้อยก็ยัง ก็ทำไงได้ความรู้ความสามารถเรายังไม่เก่งแล้วมันก็ค่อยๆฝึกไปมันจะฝึกเพิ่มๆๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมืเมเมเมเมม่อหลักประกันมันไม่เอามาให้แก่ตัวแล้วสร้างอีกเท่าไหร่ทีนี้มันก็มีแต่ประโยชน์ผู้อื่นตัวเองก็มีเขตจำกัดแล้วกินก็จำกัดมันพอละใช้ก็จำกัดอาศัยก็จำกัดมันจะมีตัวพอ มากกว่า น, นี้เฟอ้อแล้วมากกว่า น, นี้เกินแล้วไม่ต้องสะสมไม่ต้องเอาอีกสะพัดออกสะพัดออกนี่คือเศรษฐศาสตร์บทสําคัญที่สุดเป็นของพระรูปเจ้าคนพบถึงกั้นสาธารณโภคีเนี่ยจะเรียกเศรษฐศาสตร์บุญนิยมไม่จะเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมภาษาอังกฤษมันไม่มีแต่ภาษาอังกฤษทุนนิยมก็มีละ capitalism capitalism ภาษอังกฤษก็มีทุนนิยมแต่บุญนิยมเนี่ย ม, มันไม่มีอาตมาก็ต้องทับสาวบุญนิซึมแคปอร์เซอซึมก็ไปป่าไปเลยมีแล้วแต่บุญนิยมมันยังไม่เกิดมันเกิดมาอาตมาว่าอาตมาเป็นต้นแบบหน้าเป็นต้นตักแต่เป็นของพระพุทธเจา้าเป็นของพระพุทธเจา้า ตามทฤษฎีของพระเจ้าแล้วเป็นคุณค่าของพระรูปเจ้าเอามาใช้อยู่เนี่ยมันยังน้อยชาวอาโศกเรายังมีคนก็น้อยตัวต้นทุนประยันพฤติกรรมก็ยังน้อยเก่งก็ยังไม่ค่อยเก่งชํานาญมีสมัรถนะสูงก็ยังไม่สูงไม่เป็นไรมันจะก้าวหน้าไปเองโดยสัจธรรมค่อยเริ่มต้นถูกเบื้องต้นทำกลางมันปลายเป็นลำดับ อันลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลก็แล้วกันมันจะไปได้ดีมากเลยและมันจะมีผลสูงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์แบบเพราะมนุษย์แบบนี้ม น, มนุษย์แบบที่เรากำลังเอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามารึกศึกษาและก็ทําตัวนี้นเป็นคนแบบพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอาริยชนแบบพระพุทธเจ้านี่แหละ จะเป็นคนคำจุนโลกจะเป็นคนมีภูมิชนญาติตายะภูมิชนสุขายะภูมิชนะเยโลกาโนกรรมปายะอย่างแท้จริงคำสามคําเนี้ยภูมิชนญาติตายะภูมิชนสุขายะโลกาโนกรรมปายะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสบัญญัตินี้สำทับกับอรหันห์หกสิบองค์แรกของโลกโลกอยู่พุทธมณคโคดมนะ ตัเสร็จเราทั้งใจบอกว่านี่แหละพวกเราจงไปสร้างจะไปเป็นประโยชน์แก่มวลชนเป็นอันมากจะไปสร้างความสุขและสุขอันนี้ไม่ใช่สุขโลกีนะอุปสมบทสุขอุปสมบทสุขหรือสุขอย่างประมังสุขขังสุขอย่างนิพพานสุขอย่างสงบสุขอย่างไม่มีโลกีรดสุขสงบสบายจึงเป็นสุขวิเศษสุขไม่เหมือนกันกับโลกีมนุษย์ ไม่สุขไม่เหมือนโล ก, กุตโลกียะเป็นความสุขที่เปิดเป็นความสุขที่วิเศษต่างกันมันไม่ดับเาเรอกิเลสแต่มันสุขเพราะว่ามันไม่ต้องบับเบอร์อะไรสุขสงบสุขทําแล้วกะจบมันไม่บับเรออะไรมันจึงไม่ผลานอะไรไม่เปลืองอะไรเลยสุขอย่างไม่มีความสูญเสียแต่ทั้งโลกนั้นมันสุขด้ยสปาก สุขอมำเลอแล้วก็เกิดพลังงานทื่นใจดีใจหรือไม่เพอใจทําลายทั้งนั้นพลังงานที่มันสปาร์กสปาร์กโดยโทสะสปาร์กโดยโลภะสูญเสียคา ร, รีสูญเสียพลังงานนั้นจริงๆแต่โล ก, กุตระนั้นเมื่อเป็นอหรหันต์แล้วมันไม่สปาร์กเลยไม่โทสะไม่โมหะไม่สปาร์กมันจึงไม่มีความสูญเสียพลังงานที่เรียกว่าพลังงานทางจิตวิญญาณ ไม่สูญเสียเลยมันสงบมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเพราะพลังงานสร้างมาได้เท่าไหร่ไม่มาสูญเสียกับการสปาร์กเพื่อเรริดราคะโลภะหรือโทสะมันจึงไม่สูญเสียแคลอรี่เลยจะได้พล ง, งานที่เหลือคือพลังงานแคลอรี่ที่เหลือที่ไม่ไปสปาร์กทิ้งพวกนี้มาสร้างโซดาก็ประหยัดได้ระดับหนึ่งสกิตากระดับ ประหยัดได้ระดับมากขึ้นอนาคออนาคาก็ยิ่งประหยัดมากขึ้นเป็นอรหันต์ถือว่าประหยัดได้สูงสุดไม่มีสปากรเลยมันก็ไม่มีซูญเสียเลยเพราะมันพลังงานไม่มากมันก็เอามาใช้ได้หมดทางโลกเนะี่ยพลังงานแม่มากตัวอะไรก็ยิ่งไปติดมากยิ่งจะต้องบำเบอตัวเองมากเอาไป ใจเพื่อการเกิดการสปาร์คจึงจะชื่นใจจึงจะได้ทุกวันนี้อาตมาเสียดายนี่ฤดูการบอลโลกจบลงไปโอ้โหมันไปสปาร์คสนุกสนานชื่นใจอะไรต่ออรตางๆนานาของโลกีทั่วโลกเนี่ย มันสปาร์คแครอรีไปไม่รู้กี่หน่วยยูยนิตโอ้นับไม่ถัวเลยสูญเสียเปล่าศูญเสียได้โทสะก็ตามสูญเสียได้โลภะราคะก็ตามมันสูญเสียจากการสปาร์คได้รับอารมณ์แล้วมันก็ละลายหายไปไม่มีอะไรเหลือนอกจากไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นตัวแปรสะสมลงเป็นอุปทานสั่งสมเป็นอุปทาน คลัดอยู่ในอนุสัยมันต้องได้อย่างนี้ปีนี้แพ้พยาบาทก็เกิดปีนี้ชนะกูก็จะต้องชนะอีกคราวหน้ากูจะชื่นไปใจไปตลอดทั้งปีปีหน้าสู้กันใหม่กูก็จะต้องชนะอีกลงทุนลงแรงเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาที่ไหนล่ะบราซิลใช่ไหมที่มันต ะ, ตะทรวง่าเอาเงินไป ใช่แกไอ้บอลโลกนักบุตรบอลอะไรกีฬาบอลหมดแล้วคนอดอยากยากจนไม่มีอยู่ไม่มีกินจะบ้าเลยรัฐบาลบาสินประตวง่ะก็นี่แหละมันหลงพวกนี้นะมันไม่รู้ตัวเหมือนอัตมายกตัวอย่างว่าพวกที่เอาหน้า แล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากอวดอยากอ้างอยากเก่งอยากดังไอ้แบบนั้นไรสาระความฝาไม่มีอะไรเช่นเดียวกันกันกบคนที่ไม่ใอยากเท่อยากรวยอยากอวดตัวว่ารวยที่แท้จนกรอบแต่ยังรักษาท่าต้องมีรถเบนซ์ขี่ออกนอกบ้านขี่รถเบนซ์โก้กลับเข้าในบ้านกินข้าวกบก้างประทู ขอให้โชว์อวดมันเป็นถึงขนาดนี้มนุษย์เพราะฉะนั้นประเทศก็ดีอวดอ้างอะไรไล่สาระเอาเงินมาถมมาจะต้องใหญ่ต้องดังต้องจริงยอดต้องเป็นแชมเปี้ยนแต่คนจะอดตายไม่รู้จักสาระเข้าใจสาระเป็นอะสาระเข้าใจอัสาระเป็นสาระเนี่ยประเทศมันแบบเนี้ย อัตมาทมองเมืองไทยเนี่ยมันจะโอ้อยากจะสร้างโอลิมปิกอยากจะมีโอลิมปิกให้เป็นเกยียรติเป็นยศแก่ประเทศโอ้ยไม่ต้องไปอยากทำหรอกชิบหายไปทาไมแล้วก็มามองเมากิเลตใส่ประชาชนคนไทยเองอีกเพราะคนไม่รู้นะมันเยอะมันไม่ต้องไปยึดไปติดว่าเออประเทศเราได้มีงานโอลิมปิกได้โอ้โหเทพชิบหายเลยอะไรมันมันต้องไปยึดอย่างนั้นก็นดีแล้ว ไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปพลานไม่ต้องไปลงทุนพลานทิ้งไปงานหนึ่งเท่าไหรโอลิมปิกให้เรามาซื้อที่ดินพัฒนาอย่างดีรีสาก็อยากได้ที่บรราศก็อยากได้ที่เพิ่มอยู่ที่ที่ไอ้ที่เขามาบริจาคมันใช้ไม่เคยได้มันไม่เคยเหมาะแต่ไอ้ที่ที่เราจะใช้ประโยชน์มันก็เหมาะดีไม่ดี มันงกเล่นราคาแพงอีกด้วยทั้งหางโอ้ยอเขาว่าไปสรุปแล้วตอนนี้อย่างสุพูดว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมมีผลเจริญเนี่ยมันกําลังออกออกผลเห็นได้อย่างสุออมาพูดแสดงว่าเข้าใจแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้กิจกรรมมีผลเจริญเช่นเราสร้างสวน สวนผลไม้ยังสวนสองรอปีเขาเนี่โอ้ทุเรียนก็ออกมันขึ้นฤดูกาลก็ออกเก็บอย่างเดียวไม่ต้องไปเอาปุ๋ยไม่ต้องไปเอาอะไรใส่ให้มันเลยไม่ต้องรดน้ำรดท่าเลยถึงเวลาเก็บอย่างเดียวเก็บกินอย่างเดียวต้นไม้มันมีผลเจริญมันช่วยตัวมันเองแข็งแรงคนยังสู้ไม่ได้เลยอายุมันสองอยสามรอปีอ ต้นมังคุดต้นรางาส่าต้นทุเรียนต้นอะไรอย่างส่วนพวกสวนก็อายุร้อยปี200ปีแล้วก็ไปดูมามันก็ผลิตให้เรานั่งกินสบายงานกิจกรรมมีผลเจริญแม้แต่ ง, งานธุรกิจประกอบโรงงานโรงงานยังไม่เข้าที่มันก็ต้องเปลืองต้องอะไรจนยังไม่รู้วิธียังไม่รู้อะไรลงตัวมันก็ต้องสูญเสียอยู่จนมันลงตัวเข้าที่มีความรู้ด้วย มันบกพร่องตรงนี้แก้ได้ตัดทำ ท, ท, ทันทีทันทีเรียกว่ามันเข้าฝักมันลงตัวโรงงานลงตัวความสูญเสียก็ไม่มีหรือน้อยมันสูญเสียอยู่หรอกแต่ว่าน้อยเรียกว่ามันลงตัวกิจกรรมมีผลเจริญก็ไม่ต้องสูญเสียค่าใช้ใจ่ายในการที่จะคอยบำรุงรักษาคอยซ่อมคอยแซมคอยเติมก็น้อยลงส่วนเกินก็มากขึ้น ชั้นเดียวกันยิ่งเป็นธรรมชาติปลูกต้นไม้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเสร็จแล้วมันทำเองพืชมันทำของมันเองถ้าอย่างเรานี่นะนี่อย่างสวนพวกนี้เนี่ยต้นไม้มันมีหมากมีผลอะไรก็ไปของมันเองยังแถมยังมีเห็ดเออยังมีอะไรอื่นๆที่มันจะเกิดในองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมในพวกนี้อีกโอ้ แถมฤดูการเห็ดมันก็ออกเห็ดไม่กินอ่าฤดูการอะไรอื่นอีกล่ะฤดูการหน่อไม้หน่อไม้มันก็ออกไม่กินเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเลยหน่อไม้นี่มันโอ้โหมันโตเร็วนะหน่อไม้นี่ใครเคยไปสังเกตนะโอ้หน่อไมนวันหนึ่งวันหนึ่งมันออกมาตั้งหลายเป็นนิ้วอะไรนิ้ววันหนึ่งอ่ะมันโตอ่ะหน่อไม้นี่โตเร็วๆนวหลายอย่างมันโตเร็ว สิ่งที่มันเป็นเซลล์มันสังเคราะห์กันนมันเร็วอย่างปราวานเนี้ยอายุปีสองปีโอ้โหมันโตคิดดูสิประวานอายุปีหนึ่งอายุสองปีตัลล็อมไอ้คนสองปียังตัวกระน้อยเดียวแต่ประวานโอ้โหสองปีมันออกมากันตัวตรงนี้นะสองปีมันโอ้โมหมะหอาลานอนะไรอย่างนี้เป็นต้น เซลมันเคยย้ายามันต่างกันนะหรือแม้แต่ช้างก็ตามมันก็โตรเร็วปีสองปีมันโอ้โหคนตัวแค่นั้นนะเมื่อกิจกรรมมีผลเจริญก็เบาแล้วทุกอย่างมันก็ลงตัวมันก็ทำงานช่วยเรานะอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นชีวะหรือว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเข้าฝัก มันลงตัวมันสมดุลขึ้นมามันจะมีผลเจริญให้เราอย่างอย่างมากขึ้นเป็นปฏิภาคทวีที่สูงด้วยการเปลืองสูญเสียก็น้อยด้วยและความเร็วในการสร้างผลผลิตขึ้นมาก็เร็วด้วยมากด้วยดีด้วยซับซ้อนเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนมาก นั่นพวกเราเนี่ยศึกษาแล้วมันจะเจริญอันหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้พวกเราสำเนียกตัวเองคือคนเจริญเนี่ยขี้เกียจหรือการดูดายมีน้ำใจขี้เกียจ ด, ดูดายไม่มีน้ำใจนี่เป็นเป็นลักษณะอันหนึ่งของความเสื่อมความไม่เจริญขี้เกียจ ด, ดูดายไม่มีน้ำใจ เพราะเราจะไม่คิดเกียรติเพราะการคิดเกียรติก็คือการมันไม่ทำงานนะอือหนีไปเสพไปติดอยู่เฉยๆว่างๆไม่อะไรไม่อยากออกแรงไม่อยากทำอะไรทั้งๆที่เป็นทั้งๆที่รู้ที่ตั้งที่เก่งด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่ทำอย่างนี้ยนะมั น, ม, นมันมีตัวกิเลสเลวจริงๆ เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกฝนไปก็เกิดปัญญารู้ว่าโอ้ขี้เกียจไปทําความเสือ่อมถึงไหมมันไม่เจริญทั้งตนเองกิเลสก็เอาไว้ไอ้สิ่งที่เกิดผลประโยชน์ดีเพราะว่าเราไม่ขี้เกียจเราก็ขยันทําสิ่งที่เราทําได้เป็นงานนั้นไม่มีโทษแล้วก็ทําไปมันก็เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าเพรา ะ, ะนั้นเมื่อเกิดปัญญารู้ว่าขี้เกียจไปทไําไหมจน เป็นเองเป็นตาตามันคิดเกลี่ยตัวนั้นหายไปมันไม่คิดเกลี่ยแล้วมันขยันเท่า น, านี้มันก็จะขยันไปเงี้ยโดยอัตโนมัติโดยเป็นปกติทีนี้ขยันแล้วก็ยังมีเชิงของการไม่ดูดายมันก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมมันเห็นผู้เห็นคนเห็นของเนของโอ้ไม่ดูดายอันนี้ช่วยจับช่วยเก็บก็ไม่ดูดายอันนี้ช่วยช่วยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยแหล่งนั้นแหลงนี้ มันก็จะไม่ดูได้การสร้างสรรก็เกิดขึ้นความเจริญก็เกิดขึ้นยิ่งนอกจากไม่ดูได้แล้วมีน้ำใจโอ้โหตอนนี้สมบูรณ์แบบแลขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจดูได้ก็ไม่ดูได้มีน้ำใจอีกเข้าใจใช่ไหยภาษาไทยใช่ไหมเป็นคนมีน้ำใจอีกโอ้โหนอกจากไม่ดูได้แล้ว ยังคนขวายไม่ดูดายขนขวายาหาเรื่องช่วยไม่มีเรื่องก็มีอะไรให้ช่วยไหม May I help you นะฝรั่งมีอะไรให้ช่วยไหมมีน้ำใจแม่ไม่บอกไม่กล่าวไม่วานเราก็เข้าไปช่วยได้สิ่งอย่างนี้ก็จเจริญเร็วเพราะเราไม่ได้ปรารถนาราย เขาไปช่วยไม่ต้องการสิ่งแรกเปลี่ยนไม่ต้องการเอาบุญเอาคุณต้องการสร้างสันเสริมให้มันเจริญออกงามเร็วมันเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณทางความรู้เรื่องของจิตวิญญาณขี้เกียจก็จิตวิญญาณดูดายก็จิตวิญญาณไม่มีน้ําใจก็จิตวิญญาณ แต่ถ้าคนมันมีความเป็นจริงของจิตมันโอ้กิเลสตัวขี้เกียจมันก็ลดลงหรือไม่มีนอกจากมันไม่ขี้เกียจแล้วมันก็ขนขวายไม่ดูดายเออมันก็มีขึ้นนอกจากไม่ดูดายไม่ขนขวายไม่ดูดายขนขวายขึ้นแล้วมีน้ำใจอีกมันยอดไหมอ่ามันยอดมันประเสริฐเพราะสิ่งสร้างสรรสิ่งที่มันเกิด การช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงว่าเราต้องมีปฏิภาณว่าไปช่วยไปทําให้มันแล้วมันก็ยิ่งขีดเกียรแล้วมันก็ยิ่งเลวลงมันก็ยิ่งเสียหายอันนี้ก็ต้องระวังเราไปช่วยเขาจริงเราได้กุศลจริงแต่ทําให้อีกคนมันยิ่งเลวลงมันยิ่งเห็นแก่ตัวมันยิ่งไม่ทําดีแล้วว่าเขามาช่วยเราก็ เอาเวลาเอาแรงงานเอาทุนรอนไปเที่ยวไปเสพไปสูญเสียไปพลานพราอะไรยะจากักมันก็เป็นภาวะซ้อนที่ทำให้เกิดการสูญเสียทำลายบุคคลทำลายอื่นๆอีกเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าขีดช่วยแค่นี้ให้เขาทำบ้างให้เขาฝึกฝนบ้างให้เขาขยันขึ้นบ้างให้เขาล้างความขี้เกียจล้างความดูได ให้นขนควายให้มีน้ำใจขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะพัฒนาคนขึ้นมาเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยยังไม่เข้าใจอาตมาก็พูดให้ฟังก่อนนี่สิ่งกาสิ่งที่เป็นเรื่องพัฒนามนุษยชาติพัฒนาสังคมทั้งนั้นนะพระสมาทิฏฐิของพระเจ้าถ้าปฏิบัติถูกความเห็นความรู้ ที่ไม่ผิดเพี้ยนแล้วทุกอย่างจะเจริญดีจเจริญเร็วจเจริญดีดจเจริญเร็วแล้วก็จเจริญได้ปริมาณสูงขึ้นปริมาณมากขึ้นไปได้จริงๆตอนนี้เรามีต้นทุนชาวโเรามันยังน้อยแล้วก็ยังพัฒนาให้จิตอิญญาณประเสริฐขึ้นพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นไปตามลำดับจะไม่ง่ายนัก พอนอัตราการก้าวหน้าในความเจริญมันยังไม่อัตราการก้าวหน้ายังไม่ยังไม่มากจนกว่ามันจะค่อยๆมากมันก็จะมีปฏิภาคทวีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากบวกเป็นปฏิภาคทวีหลักหลักบวกสูงขึ้นแล้วก็จนเป็นคูนจากคูนเป็นยกกำลังอะไรอย่างนี้เป็นตน้นมันจะเป็นไปตามอัตราที่ เชิงคณิตศาสตร์เราก็าเข้าใจได้มันจะเป็นอย่างนั้นไปตามความเป็นจริงเพราะอัตราการก้าวหน้านมันค่อยๆเพิ่มขึ้นต้องต้องพยายามดูให้ดีๆมันถึงรอบนี้แล้วรอบนี้อัตราการก้าวหน้ามันเพิ่มทวีขนาดนี้เป็นเชิงคณิตศาสตร์เป็นเชิงเรขาคณิตขึ้นมาอย่างไรแค่ไหนมันบวก อรตตัวบวกเป็นบวกสองบวกทีละสี่บวกทีล้วปดบวกทีละสิบหกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเชิงบวกหรือเป็นเชิงคูณนะคูณกันไปมากขึ้นมากขึ้นหรือเป็นเชิงยกกําลังอะไรมันก็จะรู้เนี่ยเอาภาษาทางโลกวิชาการทางคณิตศาสตร์บางวิทยาศาสตร์บ้างอะไรนี่เอามา อธิบายมาใช้สื่อก็จะพอเข้าใจได้นะว่าเรากำลังเรียนอะไรกำลังพัฒนาชีวิตหลักสูตรอะไรนี่หลักสูตรพุทธธรรมหลักสูตรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แหละและขอยืนยันว่าไม่ทิ้งโลกโล ก, กวิถูรู้กับโลกของเขาไปตามลำดับ ถ้ายิ่งรู้ได้ลำดับเป็นเบื้องต้นตั้มกลางบนปลายอันเหมาะสมกับตัวเองมันยิ่งไปได้ราบรื่นรวดเร็วพัฒนาไปดีตรวจสอบตัวเองอย่าไปผิดถ้ามันผิดมันก็จะไม่ไม่คล่องตัวไม่รวดเร็วถ้ามันถูกทุกอย่างมันไม่มีอะไรสับสนมันจะเจริญดนะีตอนนี้เรามีทั้งลักษณะที่เป็นได้ ทั้งลักษณะของทฤษฎีทักษณะความรู้กำลังเข้ามาร่วมกันอ่านะกำลังเข้ามาร่วมกันทำงานแล้วก็กำลังเข้าไปประสานสัมพันธ์กับข้างนอกข้างนอกซึ่งเขาเริ่มมีความเข้าใจไว้ใจยอมรับมากขึ้นมากขึ้นนะความไว้ใจอย่างแรกที่สุดคือ ความไว้ใจความซื่อสัตย์คนเรานี่ถ้าเขาไว้ใจเรื่องซื่อสัตย์แล้วเนี่ยแม้คุณจะทำไม่เก่งแม้จะไม่มีประสิทธิภาพเขาก็ยอมรับคุณใช่ั้มซื่อสัตย์เนี่ยบางคนก็หลงความเก่งนะไม่ซื่อสัตย์เท่าไหร่เอาความเก่งก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาตมาว่ามันสู้ความซื่อสัตย์ไม่ได้หรอกซื่อสัตย์แม่ไม่เก่งในอาตมา ดีกว่าไอ้คนเก่งแต่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ใช่ั้ยเพราะงั้นเราเริ่มต้นที่ซื่อสัตย์่ยแล้วค่อยๆพัฒนาความเก่งไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เป็นลาดับซื่อสัตย์เป็นหลักประกันนี่คือหลักการหรือทฤษฎีหลักวิธีที่เราจะพัฒนามนุษย์ สั่ค่าสร้างคนนะแล้วเราก็จะได้คนที่ได้สูขสร้างขึ้นมาโดยทฤษฎีที่มันดีเป็นสมาธิิเป็นทฤษฎีที่มีมีองค์ประกอบที่มันมีประโยชน์คุณค่าแท้นะเพราะ ว, าวิชาการที่เราศึกษาของพระทเจ้าเนี่ยจะเป็นวิชาการที่ก็อาตมาก็ขอย้ำซ้ำอีก วิชาการที่พระเจ้าค้นมาแล้วจากความเป็นมนุษย์จากสังคมไม่มีอื่นเลยสังคมนี่กว้างไปถึงระดับโลกเลยระดับจักรวาลเลยจริงยุคนี้มันจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันจะกว้างเอาไปถึงระดับโลกได้ง่ายๆมันโลกมันกิเลสมันเยอะมันทะลวงไปไม่ท ะ, ทะลุมันไม่ไม่เหมือนโลกบางยุก ถึงคนมันฉลาดคนมันกิเลสน้อยเพราะฉะนั้นมันจะทะลุทะลวงไปหาคนได้เต็มโลกได้ง่ายได้เร็วและได้มากขึ้นบสมบูรณ์ง่ายยุคนั้นมันไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้คนมันแย่เพราะฉะนั้นมันจะได้กลุ่มน้อยไปก็ยากก็ช้าได้กลุ่มน้อยไปก็ยากก็ช้า แถมคุณภาพก็ไม่สูงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เท่าไหร่เราก็ต้องเอามันจะช้าก็ช้าผักเพียนไปมันจะน้อยก็าตามมันน้อยมันก็โตขึ้นอยู่เหมือนกันจะว่ามันน้อยมันก็ไม่ใช่มันไม่เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มส่วนที่จะเสริมจะเพิ่มจะเติมมันก็มีเสริมมีเติมมีเพิ่มคุณวิเศษอาตมาว่าในยุคนี้เนี่ย คุณวิเศษหรือคุณภาพของยุคนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่ายุคโบราณเพราะมันซับซ้อนมากกว่ากันมันเป็นจักรกลที่ซับซ้อนเยอะกว่ากันกับระบบทางสมัยยุคที่มันไม่ยากไม่มากไม่ซับไม่ซ้อนไปเร็วแต่นี่มันซับซ้อนมากมันกว่าจะไปได้กว่าจะแก้ไขได้กว่าจะเปลี่ยนแปลงกลไก ให้มันเป็นกลไกที่มันไปในทิศทางที่ซื่อสัตย์สุจริตดีงามมันก็เลยยากเขากันแก้ไขกลนของโลคียากกว่าเพราะมันซับซ้อนแล้วมันเป็นเชิงกลที่โอ้โหไม่เคยรู้ทันมันง่ายๆแต่มันมากด้วยแน่นด้วยมันก็เลยต้องช้าก็เราก็รู้อย่างอาตมารู้เนี่ยอาตมาก็บอกพวกคุณเพราะเราไม่ต้องไปห่วงเราว่ามันมันเร็ว อย่าไปเทียบกับโลกีเขานะ่ะโอ้โลกีเก็ไปเพื่อพวดเลยมันจเจริญเจริญช่างหัวมันเถอมันจเจริญลงนรกเจริญไปหลงสวรรค์หลวงสวรรค์เพชดช่างมัน่นมันยิ่งไปเร็วมันก็ยิ่งหนักหนาะสาหาสของเขาเองไม่ต้องไปทิศยาเลยแล้วก็ทำไปของเราไม่ทิศยาแล้วต้องสงสารเ็าด้วยเพราะเขาไม่รู้ ว่าเขาเติมน้ำหนักของความเร็วความชั่วยิ่งมีความเร็วความชั่วยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นปฏิภาคทาวีเท่าไรมันก็ยิ่งซวยหนักใช่ไหมฟังทันไหมความชั่วมันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเร็วปริมาณมากยิ่งเร็ว ยังมีคุณสมบัติอีกด้วยคุณบัติช่วยหนักช่วหนั ก, นกมากขึ้นเร็วๆด้วยมากขึ้นก็มากๆด้วยคุณสมบัติช่วยนะทวีแบบนั้นนะ่ะเป็นปฏิภาคทวีแบบนั้นนะ่ะมันเป็นจริงนะท้งโลกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราไม่ต้องบริษยาห์เขาหรอกมนันน่าสงสารคนพวกนี้เขาไม่รู้อวิชชาเพราะสังขารของเขา ก, ก็ปรุงแต่งของเขาไปจัดแจงจัดการของเขาไปเขาก็นึกว่าเขาครีเอท ที่เอตจัดการสร้างสรรค์แต่ที่แท้สร้างนรกสร้างสวรรค์เท็จมาหลอกกันไปอย่างมันหลอกรสชาติของเตะบอลอดีตกรมันไม่ดีใจขนาดนี้มันไม่เปลืองแคลอรี่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้โราโหมันเตะเข้าโกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอุ้มมันจ่ายแคลอรี่ทั้งไอ้คนเตะอื้มมันดีใจสปาเท่าไหร่ไอ้คนอื่นก็เชียร์อุ้มมันดีใจถึงขั้นมีบางคนช็อกตาย ที่เจไอ้นี่ชนะไอ้นี่เข้าโกโอ้โหสมใจช็อกตายคาจอทีวีมีข่าวมาแล้วใช่ไหมดูบอล น, นั่นมันจ่ายแคอรอที่เท่าไหร่สปาร์กเท่าไหร่มันตายเห็นปะเขาไม่รู้ความสูญเสียพวกเนี้แล้วเขาสร้างหนักขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยดีใจแรงเท่านี้หรอกเดี๋ยวนี้มันดีใจแรงมากเสียหายมากเปลืองมากพลานมากทําลายมากเห็นปะ เขารู้ที่ไหนอัตมาพูดขึ้นพอเข้าใจไหมนี่คือความจริงแล้วเขาไม่รู้เลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเองเขาปลาพายไปทําไมบําเรอมันชิบหายเลยมันชิปหายอร่อยชิปหายสนุกชิบหายโอ้โหประเสริฐชิบหายชนะยิ่งใหญ่ชิบหายอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จะเอาภาษาอะไรไปเรียกมันแล้วมันได้อะไรอ่ะเกิดการสร้างสรรค์อะไรแต่ลูกบอลเข่าโก ได้ไม่ดีก็ใช้เหลี่ยมโกงเขาทำทีไมใ่ให้กรรมการรู้เดียเด๋ยวได้ไปเรืองใบแดงมีแทคติกสารพัดแต่เขาโกาได้เอาเธอไม่มีแทคติกบรลลิสต์ก็กช่างเธอเก่งแค่นั้นนะเชื่อไหมแชมเปี้ยนไอฟุตบอลเนี่ยทำไมจิ้มฟันเก่งสู้พวกเราไม่ได้เชื่อไหมปลูกข้าวสู้พวกเราไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไห ม, ไหมแล้วมันสาระอะไรแต่ง เองมันปลูกข้าวเพื่อกินเองมันจะต้องยังชีวิตนะมันเตะลูกบอลเก่งมันกินลูกบอลได้ไหมมันเกณฑอารมณ์สนุกกันได้ไ้มกินได้ไหมอารมณ์สนุกกันนั้นทําให้มันชีวิตยาวยืนไปขึ้นได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไรสาระเห็นไหมว่าความสนุกความเพลิดเพลินอารมณ์โลกเนี่ยมันไรสาระจริงๆริงอัศระมันไม่มีสาระเพราะสุขโลกีเนี่ยมัน เท็ดพระพุทธเจ้าทังใจคำว่าอลิกะมันเท็ดมันลวงมันหลอกมันไม่จริงอ่ะมันไม่ได้อะไรมันชูนเปล่าสุขะลิกะกามาสุขะลิกะถ้ามทรมานตนนี่นะมันยังมีพลังงานมันยังสร้างสรรมันยังทำอะไรด้เน็ดเหนื่อยโอ้ลาบากลาบนกิลมัฏฐลาบากลำบนแต่มันยังมี สิ่งที่เกิดต่อสร้างซัได้เรายังขันของเราพาราหาเวเป็นพาระสรกนะพาระหาเวอะไรขันทาฮะปัญจขันทาพาราหาเวปัญจขันทาขันห้านี่หนักจริงเป็นภาระ แต่เมื่อมีขันห้ามีปัญญาก็ต้องใช้ขันห้านี้ยางเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปให้มันพลานรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ก่อภายัยไม่ก่อโทษไม่ก่อบาปไม่ก่อกิเลสเป็นประโยชน์แม้มันจะต้องเป็นภาระภาระหาเวปัญจคันตา มันเป็นภาระต้องเลี้ยงดูมันต้องคอยทำอย่าให้มันเกิดเชื้อโรคดูแลมันหนาวก็ต้องดูแลมันก็ต้องทนร้อนมันก็ต้องทนจัดแจงให้มันมันอะไรก็แล้วแต่มันกระทบสัมผัดอย่างน้นอย่างนี้ก็ต้องใช้มันดูดีพอดีสมดุลมากไปก็ลำบากแล้วก็เจ็บก็ปวดอะไรเนี่ยก็เป็นภาระแต่ภาระมันก็มีประโยชน์ ถ้าจิตเวทรูรปก็สะอาดไม่มีกิเลสเวทนาก็สะอาดสัญญาสังขารวิญญาณก็สะอาดไม่มีกิเลสมันก็เป็นประโยชน์รังสรร์สร้างสรรค์เพราะรูปกับนามนี้มันสามารถทํางานมีกรรมมีกิริยามีการกระทำแต่การกระทําที่มันจะเป็นประโยชน์ช่วยกัน แค่เช็ดปัดกวาดถูช่วยป้อนข้าวป้อนน้าช่วยเ ช, ช็ดถูเนื้อตัวดูแลรักษาหนวดฝันสําหรับมันเวลามันเจ็บมันป่วยมันอะไรดูแลมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอย่ป็นสร้างอนุสร้างอันนี้ที่เป็นคุณค่าเป็นของที่จะต้องรวมกินร่วมใช้มันก็ยังเป็นจากเกิดจากขันห้าที่เราเมียรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละเพราะไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัว ไม่มีกิเลสหวงแหงไม่มีกิเลสทำลายสุดยอดแล้วมนุษย์อาจากศึกษามนุษย์กับศึกษาสังคมจึงทำให้อยู่กันอย่างยเย็นเป็นสุขและเป็นสิ่งวิเศษอยู่กันรวมกันพวกเราเนี่ยศึกษาไปจริงๆไปเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจะเข้าใจแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนพวกเราเป็นโสดาสกาิทานากายเป็นอรหรัน ก็จะรู้ม่าอาตมารู้เข้าใจมันอยากอาตมาเข้าใจแล้วก็จะช่วยคนช่วยสร้างคนให้เป็นคนที่อย่างที่เรารู้แล้วว่าอาริยะบุคคลเป็นอย่างนี้ดีที่สุดเป็นมนุษย์โลกียะนะมันไม่ได้ล้างกิเลสนะมันไม่ดีหรอกเพราะงั้นพวกเราจึงมีการศึกษามีทั้งการศึกษาที่ล้างกิเลสเป็นหลัก และการศึกษาที่จะมีความรู้ความสามารถทางเทคนิคทางสร้างสรค์แบบโลกๆเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอาด้วยการศึกษาของเราจึงจะต้องมีทั้งสองอย่างศีลเด่นเป็นงานชานวิชาเพราะฉะนวิชาคือความรู้เป็นงานคือสมรรถนะเราเป็นทั้งสองอย่างศีลเด่นเป็นหลักเลยจิตวิญญาณเป็นหลักเลยนะ จิตวิญญาณยิ่งเป็นหลักเลยเป็นประธานเพื่อี่จะกํากับการงานแล้วก็กํากับตัวความรู้วิชาว่าต้องรู้นะอย่างนี้แต่เราประมาณจะต้องคานวณจะต้องทำให้สมดุลทำให้พอเหมาะทำให้คุ้ค่าอย่าให้มันเป็นโทษแล้วก็ต้องทำงานต้องทำเพราะการศึกษาตีครบกระบวนการ ครบองค์ประกอบข อ, องศีลและธรรมพฤติกรรมที่เป็นได้เป็นจริงทําได้ทําเป็นกับแม้หลักวิชาโลกวิชาการเราก็ไม่ทิ้งอะไรที่ยังเกินที่เราจะไปรู้รู้ไม่ได้แต่มันทําไปแล้วเป็นเป็นคุณด้วยเป็นโทษด้วยแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรทิงไว้ก่อนถ้าเราสามารถเอื้อไมไปถึงได้รู้ได้ค่อยทํา ถ้าให้ทำไม่ได้ก็ทำที่เราทําได้รู้ได้ไปตามลามดับเราไม่ต้องไปคิดใหม่คนโลกมันคิดไม่หยุดคิดนําหน้าแล้วมันก็มีผลดีและเสียมันจะคู่กันเสมอเป็นโทษเป็นภัยในตัวเพราะเทคโนโลยีสร้างขึ้นมาทุกวันนี้ทั้งสองอย่างเป็นโทษและเป็นภัยในตัวนะเราก็ทําเท่าที่ ตามไปเรื่อยๆเพราะเราไม่จําเป็นจะไปอดไปอ้างไปทําอะไรเพิ่มธรรมชาติที่น้อยกว่านี้ถ้าคนมีปัญญาไม่ไปติดไปยึดในสิ่งที่มันปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งมาหลอกกันไม่เป็นหลงคารมไม่เป็หลงติดคุณสร้างมาก็สูญเปล่าไม่มีใครรับเพราะมันเขาดูแล้วมันเฟื่อมันเกินออย่างเขาทํายาบ้าขึ้นมา เาหลุดวงจรของเขาแล้วอะยังไงแล้วก็ไม่ไปเอาแล้วยาบง่งยาบ้าหรือหลายคนพวกเราผู้ชายก็ไม่เอาแล้วสูบยากินเหล้าเป็นต้นมันก็มีอยู่ในโลกนี้แหละหรือแม้แต่ในเอามันไปดูบอลเนี่ยคนที่ตัดขาดรสชาติของบอล้วรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไระไรสาระไม่มีอะไรมันจะสนุกยังไงมันจะจัดแมเป็นนัด พิเศษโอ้โหหลีกนี้ไม่ดูไม่ได้ต้องดูทุกแมทในหลีกนี้คนที่มันตัดกิเลสแล้วมันรู้แล้วบอโถอเ้ยมันไร้สาระมันก็บำเรออารมณ์ที่มันไปสร้างหลอกกันตอนนั้นเองมีเท่าไหร่เท่าไหร่ปรุงแต่งมากเข้าไป อ, อีกเท่าไหร่เท่าไหร่ยั่วยุ ก, กันให้มันจัดจ้านอีกเท่าไหร่คนนี้ก็เฉยเพราะงั้นโลกมันจะมีอี ก, อ ก, อกเท่าไหร่ let it be อย่าไปแปรยาบนะแปลดีๆอย่าไปแปลยาบก็ช่างมันปล่ะนะมันจะมีก็มีไปคนที่เข้าใจแล้วก็บอกเอออันนี้ช่างมันเถอะเขาไม่รู้เขาก็หลงไหลกันแต่เรารู้แล้วเราไม่ไปหลงไหลกับเขาก็อย่าไปข่มเขาแล้วกันค่อยๆเห็นใจเขาช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเขา ทำไงได้มันพูดกันไม่รู้เรื่องไปพูดเขาแล้วเขาหาว่าพวกเรานี่ยเป็นคนโลกไหนวะเขานิยมมานนี่กันทั้งโลกเองไม่นิยมงี้เองมาจากโลกไหนเนี่ยเขาว่างี้เรานะเราก็รู้เท่าทันเออไม่เป็นไรแล้วเองไปเถอะปรุงแต่งเข้าไปเถอะอะไรเองก็นหนังนาสาหัสเองเข้าไปไรสาระไปจะพรานจะพลาอะไรไปก็พูดไม่รู้เรื่องก็ปล่อยเขาไป หรือปรุงแต่งท้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่งตางๆก็ตามโอ้หนักหนาสาหัสแม้แต่ย่นย่อเข้ามาถึงเป็นวัตถุรูปสมบัติพัสทานเงินทองเข้าของเพชรนินจินดาอะไรแล้วแต่อัตมาเคยถามว่าถ้าชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ไปจนตายคุณไม่มีเพชรเลยสักเม็ดคุณไม่ได้เพชรเลยสักเม็ดเลยในะชีวิตต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นคนดีได้ไม้มคุณจะเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมได้ไม้มแต่คนที่ติดนี่เขาไม่ได้นะไม่มีเพชร น, นี่เขาไม่ได้หนะรอกต้องแย่งต้องเจงเจาอเอามาเซ็นแล้วก็ ต, ต้องต่อให้คุณอยู่กับคุณเลยก้อนเท่านี้เลยเนี่ยนะคุณตายจากมันไปโอ้ยน่าเสียดายเลยทำไมไม่หอบไปด้วยตายแล้วก็ออเอาไปไม่ได้ก็ยืดได้ตอนเป็นๆ น, นี่แหละ มันไม่ได้เป็นของตัวเลยติดยึดมันอยู่นั่นแหละคุณต้องพากจากกันเมื่อคุณตายถ้าเป็นวัตถุส่วนเป็นอารมณ์นั้นไม่พากว่าดันใส่อนุสัเอาไปอีกด้วยเวนจริงจริงเลยอวิชชาโอ๊ยเพราะฉะ น, นั้นโรกสวรรค์ก็ยังมีกับคุณไปตลอดนิรันดร์การเพราะคุณยังไม่ได้ล้างอนุสัยออกเลยมันไปกับคุณในอัตภาพนี่แหละคืออวิชชามันโอ้โอ้จิหายเลย เมื่อเรียนรู้ดีๆวัตถุ ก, ก็ปอเถอาศัยอยู่ในตอนเป็นๆ น, นี่เท่านั้ น, นะจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้อาศัยก็อะไรมีแทนก็นทดแทนกันไปส่วนตั้งจิตวิญญาณนั่นน่ะพ่อที่จะแล้วไปกันได้กี่ไม่รู้กี่ชาติตกี่ชาติเขาตายไปมันก็ไปเป็นอนุัยไปกับเราโหนี่ไม่ไปกับเราด้วยนะไอ้ไม่มีขันธ์หน้าไม่มี อาการ3 2มก็ยังดันไปทุกไปสู่อยู่กับไอ้ภพที่มันไม่มีร่างกายไม่มีเหตุปัจจัยดินน้ำไฟลมเนี่ยนั่นแหละนรกสวรรค์แต่แท้เว้นจริงๆเลยแล้ะตมาพย า, ยามอธิบายเรื่องสวรรค์กับ น, นรกนรกมันนานและมันเป็นจริงส่วนสวรรค์นะั้มันไม่นานเลยแวบบเดียวแล้วมันไม่เป็นจริงลมันสลายไปหเห็นเร็วมันอนิจจามันไม่ตัวตน จริงๆสวรรค์ก็ไม่เป็นตัวตนนรกก็ไม่เป็นตัวตนแต่คนไปยึดติดมันก็เลยเป็นอนุสใสนรกก็เลยนานนารกก็เลยนานมันยึดเป็นอนุสัยยึดแต่สวรรค์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอนุสัยมันเกิดจากสปากเกิดจากการสัมผัสพอสัมผัสแล้วมันก็มีสวรรค์ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายเยื่อเป็นสวรรค์ทางอัปั้นเป็นมโนมย อ, อัพตาสัญญาะระลึกถึงนนกลุ่ม สุคุณจะสุกถึงขั้นคลายแม็กซ์ขนาดไหนก็คิดเอาได้ปั้นไปเองได้ซึ่งไม่ง่ายนะจะสุขถึงขั้นสุดยอดในคลแม็กซ์ในสัญญาปั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ไอคนมันบ้าดีเดือดมันได้เหมือนกันไม่มีเหตุปรุงแต่งดินน้ำไฟลมไปช่วย มีแต่สัญญามีแต่การะระลึกเอาปั่นขึ้นมาเป็นมโนโมยตตาสุขได้เหมือนกันนั่นละตายไปแล้วก็สุขแบบนี้ได้แค่นั้นแะแต่เวลาตายไปแล้วนี่มันไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวนี่มันจะมีความยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอจินไตยเอ๊ะทำไมมันไม่ได้มันความรู้สึกลึกๆมันจะรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเรามีครบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไง มันก็ยิ่งคืดก็ยิ่งแรงก็ยิ่งปรารถนาแรงก็ยิ่งดิ้นแรงก็ยิ่งทุกข์แรงยิ่งไม่ได้เพราะมันไม่มีอ่ะคุณอยากได้อย่างที่ตามันกระทบรูปมันก็ไม่มีแต่คุณก็ไม่รู้ไออวิชานี่มันซ่อนมันไม่รู้นะเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องได้อยางแบบที่ตามันกระทบสัมผัสเศษสีนี่แบบหูสัมผัสเศษสีแบบจมูดสัมผัสเศษสีแบบลิ้นสัมผัสเศษสีแบบสัมผัสเศษสีเย็นร้อนอ่อนแข็งขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ย มันไม่มีตายไปแล้วมันไม่มีแต่คุณไม่รู้คุณก็เจ้าให้ได้เจ้าให้ได้เจ้าให้ได้เจ้าให้ได้ไดนรกก็เลยลิงลึกลึกึ ก, ก, กปั้นแต่งเป็นมโนโมยตตาเป็นอัตตาด้วยอวิชชานารกจึงใหญ่นรกจึงลึกนรกจึงแรงนรกจึงจัดจ้านโดยที่ไม่มีแล้วสร้างเองด้วยความโง่นึกว่ามันต้องเกิดต้องเป็น แต่มันก็เกิดก็เป็นตามอุปทานที่คุณสร้างซ้อนนะมันซ้อนไอ้ไม่มีเนี่ยสร้างให้มันมีเช่นคนเจอผีผีมันมีที่ไหนมันไม่มีแต่มันเป็นมโนมยัตามันหลอกโอ้มีรูปมีร่างอย่าว่าจะมีรูปร่างเลยสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวเป็นนางพลายนางตาหนิวสมสู่กันอาตมาเคยรักษานี่สมสู่ผู้หญิงเด็กผู้หญิงสาวมีผัวเป็นพระพรหม เวรอัตมามารักษาเออตอนนั้นเก่งเหมือนกันรักษาหายรักษาหายได้มันไม่มีตัวตนแต่มันโอ้มันถึงขั้นมีตัวมีตนสัมผัสเ็จสีเป็นได้เลยมีตัวมีตนน่มันอย่างนี้นางพลายนางตา น, นีสมสู่กันเป็นจริงเป็นจังหรือเป็นพอบพรมเน่อย่างที่ว่าเนี่ยที่ แต่ผู้หญิงไม่อาตมารักษาเนี่ย ห, หออรืออาจามาเคยเล่าครูไปหาเด็กลูกศิษย์ไปบ้านไปเจอลูกศิษย์อยู่ปากปากตรอกโ อ, โอ้คุยลูกเนื้อรูกตัวแต่ต้องเนื้อตัวมีตัวมี ต, มตนเลยนะคุยกันจกนกระทั่งเสร็จครูก็จากพอจะเสร็จครูบอกเออมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมแม่หน่อยไอ้ลูกไม่ยอมไปลูกบอกเออเดี๋ยวเขาจะไปธุรเขาแยกไป เขาไม่ไปบ้านครูไปเจอแม่อ้าวครูเอเอามาเยี่ยมก็บอกชื่อลูกพอกล่าวชื่อลูกเข้ามาท่านแม่ก็โหร้องไห้พึ่งเผาไปฮะก็เมื่อกี้เจออยู่ปากทางนะาอ่ะเผายัางไงอะ่ะมันตายพึ่งตายพึ่งเผาไปเมื่อไม่กี่วันนี้ยังไม่ไปผุดไปเกิดเลยลูกเอ้ยก็นึกว่าผีมาหลอก ที่แท้อัตมนโนมยัตตาของครูคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยหรอกคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเห็นอยู่คนเดียวเห็นตัวเองเห็นนะแต่เห็นหมู่ได้เหมือนกันนะอุปทานหมู่มีเห็นหมู่ได้เหมือนกันอย่างเห็นหลวงปู่แหวงนั่งอยู่บนก้อนเมฆบอกกันโนหลวงปู่แหวงเกิดได้เหมือนนักสกดจิตเนี่ย เขาบอกว่าอา้าท่านทั้งหลายขณะนีน้นาฬิกาผมนักเล่นกลมันมแสดงเท่านั้นเท่านี้มันครอบงำํำซะก่อนจูงใจซะก่อนจูงใจไปวิธีสะกดจิตจูงใจให้เชื่อให้ฟังเสร็จแล้วบอกตอนนี้นาฬิกาผมเวลาเท่านี้แต่มันบอกเวลาไม่ตรงเลยมันตั้งเวลาเท่านี้อ้าวทุกคนดูและตั้งให้ตรงกันทุกคนดูนาฬิกาตัวเอง ทุกคนนาฬิกาตรงหมดแล้วเท่านี้คุกคนเห็นนาฬิกาตรงกันหมดเลยนาฬิกามันไม่ตรงกันหรอกเป๊ะเลยเห็นตรงกันหมดเลยเห็นมุงเป็นนาฬิกาตรงตามเวลาที่คนนี้บอกเท่านี้นาทีเท่านี้ชั่วโมงโมงนี้เท่านี้โมงเท่านี้นาทีตรงกันเป๊ะหมดเลยทุกคนแต่นาฬิกาธรรมดามันไม่ตรงกันใช่ไ่มไม่ตรงกันหรอกแต่ตรงเป๊ะหมดทุกคนเล เห็นหลวงไม่จะเห็นจริงนี่เรียกว่าสะกดจิตมูเพราะคนเล่นกลพวกนี้มันสามารถทําลายถึงขันนี้นี่เขาก็ทํากันมาแล้วเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งอาตมาจะแสดงการหายตัวตอนนั้นเตรียมที่จะแสดงวัดนรนาภตอนเล่นศิยศาสตร์ตอนนั้นมาก็แสดงการหายตัว ใช้วิธีอะไรสะกดจิตอุปท า, านนี่แหละให้ไม่เห็นร่างกายเราไม่เห็นเราแล้วเราก็มาครอบงําจิตให้มันเชื่อมันคนถูกสะกดจิตแล้วครอบงําได้แล้วแล้วบอกอนะหนึ่งสองสามหายตัวคนก็จะไม่เห็นไม่เห็นัวทั้งๆที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแต่คนไม่เห็น มโนมยอัตตาสิ่งที่มีไม่มีไม่เห็นหรือสิ่งไม่มีเกิดมีเห็นผีผีมันไม่มีรูปร่างผีมันไม่มีวิญญาณไม่มีตัวตนมันไม่มีสรีระแต่เห็นไม่จริงอตมาที่บอกวิธีแก้ว่าจะได้ไม่รองกลัวผีถ้าเห็นมันที่ไหนนะท่องคาถาตะมาาแค่ตายแค่ตายแค่ตายแล้วเดินก็ไม่หาเลย เดินก็ไปหาไปดูที่มันอะไรกันแน่คุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีอาจจะมีมอแตกคลุมอยู่ที่บนหัวเสาแล้วก็มีผ้าพัดอยู่ลมพัดผ้าไปโอ้โหผีตัวนี้เมาผมยาวหลอกแท้จะยิงไปประตูเอ้ยมอแตกก็ไอ้ผ้าขี่ลิ้วพื้นหนึ่ง หรือไปแบโอ้โหทั้งดังทั้งมีอะไรอะไรตะคุมตะคุ่มในที่มืดเข้าไปประตถอเอ้ยหนูมันวิ่งหนีไปเลยเหลืออะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรในที่มืดเข้าไปดูเถอะตามันหลอกสร้างขึ้นมาเสื้อตมาเคยอธิบายแล้ว่าถ้าวิญญาณมันมีตัวตนได้คนมันรักมันชังกันเนี่ยวิญญาณมันมีตัวตนมันมหามันมาให้ปากกมันมาแตะมันมาเป็นพบเป็นเมียอะไรได้หมดเลยเนี่ย โอ้คุณเอ้ยมันตายไปแล้วนี่ใครละที่รักกันคู่รักผัวเมียตายจากกันมันใครมายอมคุณแต่งงานใหม่ไม่ได้สักคนใช่ไหมหรือคู่อาฆาตที่ตอนเป็นๆ น, นี่มันก็า้าทางจะฆ่าอยู่แล้วมันฆ่าไม่ได้ผิดกฎหมายมันจะจากเพราะมันตายแล้วทีนี้สบายเลย ม, มาเ อ, อามือจิ้มหูเราตายก็ได้ ไม่ต้องทำอะไรมากหรือมันจะบีบคอเราตายก็ได้ผู้ไปจับผีเลยที่ไหนอะใช่ั้มตำรวจงงเลยเฮ้ยใครมาฆ่าวะผีไอ้ผีมันม่จับตัวไม่ได้ตำรวจก็บ้าเท่า น, นั้นเองใช่ั้มถ้าคนพยาบาทเต้งแต่เป็นปนมันตามล่าฆ่ากันเมื่อมันตายมันก็มาฆ่าคุณหมดนะไม่เหลือแร้วคั่วฆ า, าด ที่ไหนได้พอคนคู่อาฆาตตายไปโอ้โลงอกมันตายแล้วสบายใช่ไหม <c oughs> คู่อาฆาตมันตามฆ่าเราจะเป็นจะตายพอมันตายแล้วบาโทสบายเลยทีนี้นี่เป็นเรื่องยืนยันได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่จริงวิญญาณมาหาใครไม่ได้หรอกคนรักก็ต้องมาหาคนรักกันถ้าตายคนโกรธมันก็ต้องมาหาคนโกรธคนทาลายกันพยาบาทฆ่าแกงกันมันก็ต้องมาฆ่า ถ้าวิญญาณมันมาหากันได้ใช่ไหมนี่เป็นหลักธรรมชัดเจนเลยถ้าใครเข้าใจนี่แล้วเนี่ยมันไม่มีวิญญาณมาหาอะไรไม่ได้วิญญาณตายไปแล้วไปรับพิบากอย่างเดียวรับพิบากของตนของคนอื่นก็ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะฉะนั้นนิยายโอ้โหมีเมืองมีพยายมะบาล มีโอโหข่าราชการเนือบัตรตัวพนักงานในโลกนรกโลกสวรรค์อะไรมันนิยายหลอกเด็กทั้งนั้นเลยเด็กๆคนผู้ที่ยังเชื่ออย่างงั้นอยู่ก็ยังเด็กๆไม่เดียงสาอยู่ทั้งนั้นแหละแต่แต่ตมาพ้นพ้นัยเดียงสาแล้วแล้วก็เชื่อว่าพวะเราฟังไปแล้วนี่นนจะโตพ้นไยเดียงสาที่มันไปโง่งในเรื่องจิตวิญญาณอย่างนี้จะทิ จะได้ไม่ต้องกลัวผีเผออะไรตลินึงเดินู้ป่าชงประชาไปเลยจะกลัวตายก็เดินไปเถิดถ้าเจอแล้วท่องคาถาตัมมาแค่ตายแค่ตายแล้วเข้าไปเลยผีจะหายตัวไปเลยไม่มีหรอกนะเพราะงั้นอุปทานมันจึงเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีและไม่มีสมัยอาตมาเป็นกราวาณ์อาตมาเล่นทั้งสะกดจิตเล่นทั้งไสยศะสะสะกดจิตแล้วก็สะกดอย่างที่เราไปแล้วเนี่ย บนโต๊ะนี้ไม่มีนะไม่มีแก้วน้าําไม่มีขวดน้ําอะไรเลยสะ ก, กดจิตเอาไว้แล้วลืมตาขึ้นมาก็ลืมตาขึ้นม า, นมาเออไม่มีจริงๆัต่ตั้งนี้มันมีเขาไม่เห็นนะและอีกคนก็บอกเอ้าไหนอ้าวมีขวดน้ําอยู่บนนี้หยิบขวดน้าไม่ทีสิไอคนนี้เขาจะคลําเลยไม่เห็นเขาจะหยิบไม่ถูกไม่เห็นขวดน้ำเขาจะคลําดีไม่ดีคว้าไปไอแก้วมันตั้งอยู่อย่างนี้แก้วน้าํา ไปปัดถูกตกเต้งแตกเขาก็สะดุ้งตื่นอแก้วน้ํา ม, มีเอะหรือไม่มีเทวตมาเคยเล่าเราว่าสั่งให้เห็นข้างหน้านี่มีเสือนะลืมตาขึ้นมาสั่งให้ตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นเสือโอ้โหต้องวิ่งไล่จับกันเขาจะวิ่งหนีเสือเราบอกเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีจริงหรอกเราก็ปลุกขึ้นมามันไม่มีคือเราได้พิสูจน์มาแล้วทั้งวิยทยาศาสตร์ส ก, กัดจิตเราก็พิสูจน์ จึงรู้ว่าอุปทานคืออะไรไซยศาสตร์มันไม่รู้มันมีอุปทานแล้วมันเป็นจริงเลยเพราะอาตมาเล่นทั้งไซยศาสตร์เล่นทั้งวิทยาศาสตร์ก็เลยเข้าใจโองอุปาทานความไม่จริงยึดมันถือมันสัญญาญานิจจานิมันกําหนดด้วยสัญญาว่ามันจริงมันเที่ยงมันเป็นมันมีมันเป็นจริงๆแม้เป็นนามธรรมมันก็เป็นตัวเป็นมโนมยตตา ยิ่งเป็นรูปธปรรมอยู่ด้วยมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นและขยายตัวมีมากไม่มีมั่งเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้หลอกตาหลอกหูหลอกกลิน่นโอ้ยเขามานี่กลิ่นเพอร์ฟูมที่เขาเคยใช้ตายไปแล้วก็ได้กลิ่นมานี่กลิ่นโลชั่นมานี่มันมาเลยไอคนนี้เขาชอบทูบใช้ทูบกลิ่นนี่แหละ มันเลกลิ่นทูบเขาก็ไอคนนี้ตายไปแล้วมันกลิ่นทูบวันนี้มาถึงนี่นี่นีคนนี้มาไอกลิ่นทูบมันเคยชอบใช้กลิ่ น, นเนี่ยมันมานั่นไปโนนรูปก็มีได้เสียงก็มีได้ไอเสียงก็มาหลอกอออก็อก้แก๊กดีไม่ดีเป็นพูด unified, onte, ให้ดีกินยังง้นอย่างงี้กลิ่นก็ตามรถก็ตามแต่รถไม่เคยเท่ า, าไหร่รถแต่รถตัวเองนั่นแหละจัด โอ trend, ้รสอย่างนี to to ้อร่อยต้องรสอย่างงี้ต้องรสอย่างงี้จังสีมันบนนัวต้องจังสีมันจังสินัวไอ้คำว่านัวนี่มันได้จังหวะได้พอมเหมาะที่สุดนะคำว่านัวเนี่ยอีสานเนี่ยมันต้องใสเกลือจักหน่อยมันสึงสีนัวมันจักต้องใสน้าปลาจักหน่อยมันต้องใสบักหน้าจักหน่อยมันจึงจะนัวโอ้ยใส่บักหน้ากับอะไรหรอกใสพักติ๋วมันจึงสีนัวให้มันสมแบบพักติ๋วมันต้องเอามดแดงมาใส่มันจึงสินัว สมจังมดแดงใสอะไรนี่เป็นต้นมันก็สมมติไปเล็กๆน้อยๆต่างกันแล้วแต่มันจะยุดเล็กน้อยละเอียดมากเลยมันต่างกันสมมติใครสมมติมันตั้งแต่มันเหมือนกันเลยนะแต่จิตของเราเองน่ะมันมันแผงตั้งๆ่ที่มันอย่างเงี้ยังไม่ใช่นี่คือความไม่เที่ยงตัวเองกำหนดไม่เที่ยงเดิมกำหนดว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็วิปลาส ไม่ตรงกัที่เราเคยกำหนดอย่างนี้ก็ได้เยอะไปเมื่อยละอธิบายมันเยอะนะอา้าวเหลืออีกเก้านาทีตอนนี้พวกเรากำลังศึกษาเรียนรู้ตอนนี้อัตมากำลังขยายความจากความรู้ที่โลกเขามีกันตั้งแต่แยกขนแขนงเป็นโลกแห่งศาสสดาพยากรณ์หรือรู้กันอย่างลึกลับ กับโลกแห่งู้ที่รู้เหตุรูปผลเป็นปัญญาเป็นตักกะเป็นรู้เหตุรูปผลแต่ไม่รู้ถึงสภาวะไม่รู้ถึงนามธรรมาลึกหรือใช้นามธรรมาลึกไม่เป็นส่วนโลกที่ใช้นามธรรมาเล็กเป็นละเอียดเป็นแต่ไม่มีความเข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรมีเหตุมีผลต่อกันอย่างไรก็เป็นสองด้านเรียกว่าสายเจโตกับสายปัญญา สายเจโตศึกษาไปกระลึกลับเรียกว่าสายภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโปรเฟซีศึกษาเป็นโปรเฟสซีรู้รู้อย่างลึกลับแต่เอามาใช้งานได้สูงขึ้นเก่งยอดขยกให้เป็นโปรเฟสศาสดาพยากรณ์ก็เอามาสืบทอดสืบสารกันแบบนี้ส่วนสายเหตุผลตร ก, กะเป็นวิทยศาศาสตร์จับต้องได้เป็นฟิโลโซฟี ก็เอามาสอนแบบเหตุแบบผลแต่เข้าไม่ลึกลงไม่ลึกเหมือนอาตมาไปเรียนรู้ทางเทกรจิตวิทยศาศาสตร์รู้ชัดเหตุผลชัดเลยแต่ไม่ลึกแต่ศิลปศาสตร์มันลึกแต่มันไม่ชัดมันไม่ค่อยรู้มันลึกลับนี่สรุปได้สองฝ่ายเพราะในโลกนี้มีมีสองด้านเจโตก็เป็นพวก p r o f e s i e r ส่วนพวกปัญญาก็เป็นฟิลโญโซฟีแล้วก็มาเป็นฟิลโญเซอร์มันเป็นศาส ต, ตราจารย์เซนแรกเขาก็รู้ว่าสองอย่างนี้มันควรจะต้องสมพันธ์กันมันต้องครบเขาก็เลยพยายามภาคเพียนศึกษาอีกค้นคว้าให้เขาไปลึกไปถึงให้มันสัมพันธ์กันให้ได้ทั้งลูกทั้งนามเรียกโดยภาษาพระพุทธเจ้าก็ชัดเจนลูกกับนามให้เป็ น, ป น, ปนมันอยู่ในธรรมชาติก็ดีอยู่ในจิตวิญญาณในภาคจิตก็ดี ให้มันครบอย่างไรมันจะออกมาอย่างรู้มันทุกอย่างทั้งยาวติเหตุผลแต่มีตัวตนที่สามารถจับมันมาทํางานได้มีความสามารถภาคเพียนขึ้นเขาไม่มีทฤษฎีหลักเขาก็พยายามขึ้นเรียกความรู้อันภาคเพียนนี้ว่ายานวิทยาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า epistemology epistemology เขาก็ศึกษามาในขั้นนี้ ขันยานวิทยาแต่ของพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์แบบทั้งรูปและนามมีทั้งเหตุผลและจิตวิญญาณที่ลึกสมบูรณ์ทั้งโลกียะความรู้และโลกุตระเข้าไปลึกตรงที่สุดถึงจิตวิญญาณแท้ทำงานออกมาเป็นผลเป็นปรากฏการณ์เป็นฟิโนเมนอนจึงเรียกความรู้ระบบนี้ว่าฟิโนเมโนโลยี พวกเรานี่คือกำลังตั้งวิทยาลัยนี่กำลังตั้งวิยาลัยปรากฏการณ์นี้พราะเราจบมานี่จะไม่จบระดับปริญญาเอกเป็น PhD เป็นฟ h i l o s o p ฟอร์แต่ของเราจะเป็นฟินฟิโนมิอะไรอ่ะจะเรียกว่าไงบุคคลอาตมาก็ไม่รู้ฟิโนเมนัลในเอกพจน์ฟิโนเมนาพหูพจน ฟิโลฟิโนมีโลีเป็นวิชาการของปรากฏการณ์ที่มันมีครบตัวบุคคลที่บรรลุออกมาจะเรียกว่าฟิโนเมอะไรฟโนมเนอร์ <c oughs> แต่ฟังไม่รู้ภาษาภาษามันยังไม่มีผู้ที่จะเป็นฟิโนฟินมฟิโนเมเนอร์มันยังไม่เคยเกิดอย่างพุทธิจารก็น่าจะเรียกฟิโนเมเนอร์เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบทั้งปรากฏการณ์ทั้งสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณและเป็นวัตถุ นำออกมาใช้ได้เก่งและเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและทั้งวัตถุรูปนอกดินน้ำไฟลมเอามาใช้เอามาสังเคราะห์สังคารมาทำประโยชน์ก็ทำเป็นเป็นเรื่องไม่น่าที่ไม่งมงาย <c oughs> เป็นความรู้อาตมาว่าเขาศึกษานะเขาพยายามจะมีนะเขาศึกษาเรื่องเฟโนเมนอลอีกันเขาพยายามแล้ว เขาเรียกของเขาว่าฟิโนเมโนโลยีเหมือนกันแต่เขาเยังได้ไม่ลึกเขาเยอะได้ไม่เข้าไปถึงจิตวิ ญ, ญญาณสมบูรณ์แบบอย่างพระพุทธเจ้าพา ธ, ธรรมพราะของเราเนี่ยศึกษาทางจิตวิ ญ, ญญาณแล้วมันจะเข้าไปลึกตรงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าพาธรรมเป็นลําดับลําดับลำดั บ, ด บ, ดบโดยไม่ไปหลงศึกษาทางจิตอยู่ข้างในพบแต่ศึกษาข้างนอกตั้งแต่หยาบข้างนอกเรียว่าอบายภูมิหรือบายภพแล้วก็ค่อยๆ จากยาบรรลุแล้วเป็นสมบูรณ์แล้วก็ยังอยู่ในอบายได้รู้จักอบายจัดการกับโลกอบายได้ชื่เรียกว่าโลกาิทูจัดการกับโลกกามมาพบกามาภูมิกามาวจรได้อีกหลุดพ้นเหนืออัอนนี้เป็นอนาคามีก็รู้โลกาภิทูรู้ทั้งโลกอบายรู้ทั้งโลกกามกิเลสไม่เกิดกิเลสเราไม่มีสัมผัสข้างนอกแล้วสังขารุปเปกขาญาณสังขารข้างนอก จะมารุนมาแรงขนาดไหนปรุงแต่งมากระทบ ก, กระแทกกระทุ้งกระเทือนอเนนชาไม่หวั่นไหวไม่กระดึกแข็งแรงตั้งมัน่นจึงช่วยเขาได้เหลือรูปรูปราคะรูปราคะอนนาคามีก็รู้จักรูปปาวจรูรปภพขั้นสุดท้ายอรูปภพก็ดับเลยหมดทำลายเหตุได้หมดโดยไม่ต้องทิ้งข้างนอกเลยไม่ต้องทิ้ง เมืองนรกข้างนอกเพราะงั้นเมืองนรกข้างในก็รู้เกิดจากเหตุปัจจัยอันนี้พอตายไปแล้วคนที่ตายไม่รู้ตัวว่าตายกันนึกว่าไอ้โลกข้างนอกมันมีแตะบอลมันมีวัตถุเพชรนินจินดามันมีอาวุธยุทธภัณฑ์มันมีตายไปแล้วมันไม่มีมันก็บ้าปั้นว่าสร้างมโนมยอัตตาของมันไปมันไม่รู้ว่าคืออะไรมโนมยอัตตาตายไปมันปั้นนึกว่ามันมีเหมือนกับมันมีสามีเป็นพระพรหม มันไม่มีแต่มันมีมินพัญญาเป็นนางตานีมันไม่มีเหมือนกันตายไปแล้วมันไปปั่นมโนมัยตตาพวกนี้มันจึงเป็นนรกเป็นสวรรค์ที่ต่างแต่สวรรค์มันชั่วสัมผัสผ่านสุกแล้วคลายแหมกเสร็จมันก็ปล่อยมันก็เบื่อมันก็วางแล้วมันเป็นสะสมเป็นสิ่งที่จำกูจําได้กูจะต้องได้เสพรถนี้อีกมันก็ตกคลักสะสมแล้เป็นอนุไซอีก นี่แหละเสพสุขที่บ้าที่หลงนึกว่ามันจริงมันมัมันไม่มันมันไม่มีจริงแต่มันมีจริงนี่แหละมันก็เลยไปสั่งสมอยู่อนุสัยหมดพยาบาลก็สั่งสมสมราคะสุขพระราคาโทสะสุภโลพระราคะมันก็สะสมอย่างที่ว่าเนี่ยจะได้ตายไปมันไม่มีจริงเลยแต่มันก็จะมโนมยตตามันจึงมีแต่นรกเป็นหลักสวรรค์ก็ชั่วแวกสร้างขึ้นมาได้สุขในสัญญาได้ แต่มันไม่ทนไม่นานสุกมันมีเต็มมีอินเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปแต่อนุสัยสิมันตกคกลักเรื่องว่าหมักมมเน่าในมันอยู่ใน น, นั่นแตกตัวเป็นอาสวะมันไม่เคยอยู่ไม่ทํางานอาสวะมันก็ทํางานเหมือนตัวยีสต์ตัวอาสวะนื่ะเพราะฉะนั้นทุกจึงเป็นอริยสัตว์ส่วนสุขเป็นอลิกะไอของเท็ของหลอก ล ม, ลมลๆแรกๆเหมือนอะไรน้ำค้างเม็ดฝนพยับแดดฟองคลื่นเหมือนนีแวัดบก็หายไปแต่ทุกสิโง่ ย, ยึดมันไว้เหตุแห่งทุกยึดมันไว้เพราะกว่าจะมาล้างไอ้ความยึดพวกนี้ให้เห็นจริงเห็นจังถ้ามันง่ายพวกคุณเป็นอรหันต์ให้อตมาหมดนะเนี่ย ใช่ไหมถ้ามันง่ายอะ่ะก็จะล้างอนุสัยล้างอาสวะนี่แหละมันไม่ง่ายบางคนที่ได้ทิ้งสุขไปแล้วสุขอริกะผู้เกิดปัญญาญาชาดัดแล้วบอกโอ้ไม่ได้น่าเสียดายเลยแต่คนที่ยังเสียดายอยู่นคนยังหลงหลงโอ้โหดูดยามาตั้งสี่สิบปีแล้วไปทิ้งได้ไงลงทุนมาตั้งหนักใครมันจะเลิกได้ลงทุนมาตั้งสี่สิบปีแล้วติดมันมา บ้าพรล้างของแล้วมันก็ไม่เห็นจะเสียดายเลยก็จะรู้ตัวว่ามาโทรกูไปโง่ติดมาอยู่ได้ไม่ไม่เห็นมีอะไรปัญหาไปแล้วมันไม่มีรสสนุกมันเกิดปัญญาญาอย่างเงว่าโธรมันของหลอกของลุมร่มแรงเหมือนกันหมดละสิ่งที่เป็นความสุขอิทธารมใดๆเหมือนกันหมดความรู้สึกพอใจชอบใจอิทธารมได้หมดมันของหลอกแต่เสียแล้วมัน พยุดติดมันก็ไปตกคลักลองไปเป็นอาสวะอนุสัยกามนมัตการพ่อครูด้วยบูชายิ่งขอถามเจ้าค่ะเมื่อวานญาติทางโลกโทรมาบอกให้ฟังว่าคนเป็นโรคมะเร็งไปหาหมอที่โรงพยาบาลและหมอรับตัวไวรักษาด้อาการพอดีมีป้าเตียงข้าเตียงไกลกันคงตกไม่เอะไม่โทร พอสะกดไม่ไม่ไม่ม้วนป้าเตียงใกลกันใกลไม่ไม่ม้วนคงเป็นคงตกสัไม่โทรเตียงใกล้กันบอกให้ว่าใช้กระดูกงูจงอางฝนกับมันาวกินรักษาอาการดีขึ้นมากเขาบอกหายเขาไม่ได้ฆ่าเองแต่มีคนฆ่ามากินและเก็บกระดูกไว้จึงไปขอกระดูกเข้ามากิน ถามว่าคนที่กินกระดูกงูจงอางบาปไหมคะพระพุทธเจา้าไม่ว่านะถ้าเพื่อว่าจะเป็นยารักษาโรคจะเป็นเนื้อสัตว์จะเป็นกระดูกสัตว์ท่านไม่ว่าเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ไปฆ่าเราไม่ได้รู้เราไม่ได้ร่วมมือฆ่าข้ า, ามาเป็นยารักษาชีวิตไว้จะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นส่วนอะไรเป็นอวัยวะของสัตว์ท่านก็ไม่ว่า ก็ต้องใช้ไม่ได้เป็นไรใช้เป็นยาไม่ได้เป็นไรนถ้าไม่ติดใจเป็นโอสถได้แต่อย่าไปร่วมมืออย่าไปร่วมค้าอย่าไปร่วมพอบอกเออเราจะต้องกินกระดูกงูจงอางเฮ้ยไปหางูจงอางหน่อยเฮ้ ย, ยและเองฆ่าเองนะ แล้วเก็บกระดูกมาให้ฆ่าด้วยบาปแงเลยหรือทาทีเป็นไม่รู้ก็รู้อยู่พระพุทธเจ้าต้องมองว่ามันจะบาปในชีวะ ก, กระสูดหนึ่งรู้ทั้งรู้ดีไม่ดีสั่งเขาด้วยมันต้องบาปแงแล้วสองไม่รู้ไม่เห็นแต่ยินข่าวมาไอ้อย่างนี้ก็ยังมีเชื่อนายจะยินข่าวมาเฮ้ยขานี้ยินข่าวสาม ไม่รู้ไม่เห็นไม่สัมผัสข่าวก็ไม่ได้ยินแต่ยังข้องใจสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันมีเนื้อสัตว์นี่มันเป็นเรื่องของสัตว์ที่ไปฆ่ามาไม่ได้เป็นประวัติตมังสะแต่เป็นอุทิศสมังสะเป็นเนื้อที่เขาจงใจฆ่ามานะไม่ใช่มันตายเองไม่ใช่เดนสัตว์กินมันจะต่อพบเตาะภูมิมีพยาบาทเชื้ออะไรอยู่นะ่าสงสัย แม้สงสัยว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็อย่า ก, กินท่านให้ตัดทิ้งเลยยิ่งรู้ชัดๆเห็นชัดๆกินได้ไงหรือไม่รู้เป็นข่าวข่าวมาคนนั้นพูดคนนี้ได้ข่าวมาว่าสัตว์นี่ไม่ได้ตายเองสัตว์นี่คนฆ่าไม่ใช่เดินสัตว์กินไม่ใช่ประวัติธรรมสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะพระนจีวกสูรศีห์สูตรที่บอกว่า นี่แเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ข่าวหรื อ, อยังค้องใจสงสัยก็อยากกินท่านก็บอกให้หมดเพราะอันนี้เนี่ยเอาเถอะคุณไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ข่าวและคุณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ต้องอาศัยมันเป็นการรักษาขันรักษาชีวิตคุณก็ใช้มันยิ่งเป็นมะเร็งแล้วโอ้จะไปเกี่ยงมากเลย แต่สาหัสก็กินเถอะอ้าวสำหรับวันนี้เกินแล้วเวลาสีนาทีตอนนี้สิบนาฬิกาสบสี่นาทีกะว่าสิบนาฬิกาสสิบแต่ว่ามันเริ่มหลังมันช้าไปแปดอ้แปดโมงครึ่งมันมันครึ่งกว่ากว่ามันไม่สามสิบเท่านั้นมันเกินไปนี่แหละประมาณนี้แหละ 34-35 ี่สมากว่าจะได้ไหว้พระก็พอดีละสองชั่วโมงเต็ม ะจะเจริญธรรมทุกคนจบเข้าให้อัตมามาเทศวันนี้จะเอาสูตรใหม่เทศสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงให้วิจัยให้สรุปให้วิจัยให้ถามไทยเป็นวิชาเป็นการเรียนแบบใหม่นะอาจารย์สอนไปครึ่งเวลาอีกครึ่งเวลาก็แบ่งกันสรุปบ้างวิจารณ์บ้างถามไทยบ้างอะไรอย่างนี้อย่างเราเริ่มทําหน้าที่ อาตนิยโศเซึ้ออาตมาเออเป็นวิธีการที่ดีมากเลยคนก็ชอบเยอะแยะอาตมาก็เห็นด้วยเทศะเพลินลืมไป2ชั่วโมงเต็มเลยขออภัยเอาไว้ใหม่เอางวดใหม่งวด น, นี้มันผ่านไปแล้วอา้าวจบ <laughs> าสาธุาบขอบพระคุณพ่อครูนะคะที่ได้มาเทศในวันนี้ค่ะแล้วก็